ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังการอธิบา ย, ย 8, ศีลแปพิสดารจากท่านพระโพธิรักษ์ซึ่งได้ขัดตอนมาจากส่วนหนึ่งของการอบรมฝึกบรรํัเฑ็ตธรรมสติปัฏฐานครั้งที่หนึ่งซึ่งจะจัดขึ้นที่พุทธสถานศรีสอาอโศกขอเชิญท่านรับฟังการอธิบายศีลแปดได้ในโอกาสนี้ าวันนี้จะสาทยายะภูในฟังตั้งแต่ต้นข้อหนึ่งไปถึงข้อแปดว่าเราจะทำยังไงมีศีลอย่างนี้แล้วข้อที่หนึ่งปานาติปาต า, าท่านหมายความหยาบหยาบสักก่อนหมายความง่ายๆต้นๆหมายความว่าอย่าฆ่าสัตว์นี่พูดง่ายๆได้ฟังกันมาทุกคนก็รู้แล้วละ่ะ เพราะงั้นเราก็พยายามทำจริงๆคือทำอย่าฆ่าสัตว์ถ้าไปทำการฆ่าสัตว์น่ะ น, นะผิดศีลผิดข้อแล้วผิดกฎแล้วอย่าฆ่าไม่ฆ่าไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่เราไม่ฆ่าสัตว์นี่อย่างง่ายๆยังละเอียดลงไปอีกทำความเข้าใจให้ลึกลงไปอีกก็คือหัดทําใจให้รู้ชีวิตเข้าใจคำว่าชีวิต ชีวิตสัตว์น้อยๆมันก็เป็นชีวิตชีวิตสัตว์ใหญ่ๆมันก็เป็นชีวิตชีวิตคนก็เป็นชีวิตเราไม่อยากตายฉันใดสัตว์อื่นมันก็ไม่อยากตายเหมือนเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องอนุเคราะห์กันเป็นคนมีเมตตาถ้าเราไม่ให้สัตว์ใดตายจิตเราก็เป็นจิตมีเมตตาคนไหนไม่ฆ่าสัตว์ คนนั้นอายุก็ยืนเราให้ชีวิตเขาเราไม่ฆ่าสัตว์ใดสัตว์ใดๆก็ไม่อยากมาฆ่าเราถ้าเราฆ่าสัตว์เก่งๆมันมีจิตพยาบาทนะมีจิตโกรธจิตเคืองนะมันก็อยากฆ่าเราหลายๆจิตหลายๆอะไรรวมเข้าแล้วมันมีพลังและมันจะทำให้เกิดการฆ่าเรา ฆ่าเราอย่างที่อย่างรู้แบบอย่างชัดๆเลยเราไปฆ่าพ่อแม่ใครเงี้ยลูกเต่าเขาก็จะโกรธจะเครืองพยาบาทจะมาฆ่าเราเห็นทันตาล่ะนี่ง่ายๆเลยเห็นชัดๆเลยลองไปฆ่าคนดูเนี่ยมันจะมีเวรทันทีเลยมันจะมีการตอบแทนใเห็นไวที่สุดถ้าเราไปฆ่าเสือเสือมันก็จะฆ่าเราถ้ามันมีโอกาสถ้าเราไม่เก่งกว่ามันมันก็จะฆ่าเราเราไปฆ่าช้างช้างมันก็จะฆ่าเรามันตัวใหญ่นี่มันจะฆ่าเราได้เหมือนกัน อนอกจากคนมันหาเรื่องเก่งทําปืนทำมีดทพาพร่าทาหอกทำเหลา้าอะไรไปสู้มันเท่านั้นแหละแต่โดยตัวต่อตั ว, ตวลแล้วแล้วสู้ก็เสือมือต่อมือไม่ช้าหรอกกระช้างก็กระทิงกง็สัตว์ใหญ่ๆเงี้ยเราจะเห็นชัดเราไปฆ่าอะไรมันก็ไม่อยากให้เราฆ่าเขาหรอกมันจะฆ่าเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นชีวิตเราจะไม่ยืนชีวิตเราจะสั้น เราไปฆ่ามดฆ่าปลวกฆ่ายุงฆ่าอะไรแต่ไรสัตว์เล็กสัตว์น้อยมันก็ไม่อยากให้เราไปฆ่ามันต่อสู้ได้มันจะต่อสู้เหมือนยังมีมดมีแมงเนี่ยมันก็กัดเรานั่นแหละมันก็จะต่อสู้สุดฤทธิ์มันแต่เราเองเอาอํานาจบาดใหญ่ไปข่มเหงมันไปฆ่ามันมันก็เป็นเวรเป็นภัยผูกติดต่อกันอยู่นั่นแหละแล้วมีมากๆทํามากๆมันก็ทําให้เราเองเนี่ย ถูกอำนาจสิ่งที่มองไม่เห็นนี่เราเรียกว่าอำนาจพยาบาทหรือว่าวิญญาณพยาบาทรวมๆกันเข้าเยอะๆมันก็จะทําให้เราเองเนี่ยได้รับผลเหมือนกันเจ็บป่วยได้ไข้ก็เป็นผลของพวกนี้ได้ด้วยเหมือนกันะจะเป็นคนเจ็บออดแอด แ, อดแอดมีโรคมีภัยเก่งผสมประเสมมาในไอ้สิ่งที่ไม่ไม่มองไม่เห็นนี่แหละ ร้ญญานยาฆ่าสัตว์นี่เราจะไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยยาฆ่าสัตว์นี่เราจะอายุยืนไม่มีอะไรมาฆ่าเราง่ายแล้วเราจะรู้คําว่าชีวิตให้ทานชีวิตแก่กันและกันไม่อยอมมาท่องแต่เพียงสัพเพสัตตาเวลาโหตุท่องอยู่นั่นแหละแผ่เมตตาท่องไปหลายหลายบทด้วยบทท่องสวดสวดแผ่เมตตามีมาก แผ่เมตตาแต่ไม่ทําความเมตตาจริงไม่ได้นะนี่เป็นการทําความเมตตาโดยไม่เอาชีวิตของใครไม่ฆ่ากันเป็นเมตตาแท้จิตของเราจะเกิดเมตตาจริงต้องทําอย่างนี้ต้องทําการพยายามลาเวน้นท่ามือมันจะไปตบสัตว์ไปฆ่าสัตว์ไประเกะยังไว้นี่มีสติหัดเป็นสติปัฏฐานไม่ว่ามือไม่ว่าเท้ามันเคยอย่างเงี้นคนตบยุงเนี่ ไม่ได้สั่งเราเพราะเอาแล้วตายแล้วอ้าวตายนี่เราถือศีนี่เสร็จไปแล้วอย่างนี้ไม่ได้ต้องหัดตัวรู้เลยว่าอะไรมันมันมาสัมผัสกับกลางกายเรียกว่าสัมผัสกายยุงมันมาเกาะที่ตรงไห น, นแล้วมันกัดแบบเข้าไปแล้วลึกรู้เลยว่าตรงไหนกัดโอ้ตรงไห น, นเจ็บอ้เจ็บเจ็บอะไรยุงก่อนที่จะเอามือไปตบต้องให้รู้ทัน อย่างนี้เรียกว่ามีสติปฏิบัติสติปัฏฐานศีลก็ไม่ขาดศีลก็ไม่ด่างไม่พร้อยไม่ขาดสัต์ปวิมิตรไม่ทําให้เสียก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วเราก็จะเป็นคนหนักแน่นรู้ความจริงได้อ่ะไม่แม้แต่ตบยุงตบโน่นตบนี่อะไรแต่ออไรก็ไม่ไปทําเนี่ยมันจะจิตมันจะสูงขึ้นมามีเมตตาทำอ่า ศีลข้อที่หนึ่งสีลข้อที่สองอธินนาธานาศีขนข้อนี้นี่เราไม่เป็นเมตตามันกันเราไม่เบียดเบียนคนอื่นเหมือนกันแต่อันนี้ไม่เบียดเบียนโดยที่เรียกว่าไม่ไปเอาของของคนอื่นเขาไม่ไปลากไปฉกเบียดเบียนหัวใจกันนะยิ่งใครไปขโมย เพชรไปขโมยทองไปขโมยเงินของเข้ามาองี้เจ็บใจนะคนถูกขโมยนั่นอ่ะมันเบียดเบียนใจเขาใครไปทําอ่ะใครไปขโมยเขาตอนนี้ไปเบียดเบียนใจเมื่อกี้เบียดเบียนชีวิตเลยเบียดเบียนทั้งกายเบียดเบียนทั้งใจเบียดเบียนชีวิตเขาทํากายเขาตายเงี้ยมันเบียดเบียนมากไม่มีเมตตาตอนนี้ก็ต้องมีเมตตาอีกเหมือนกันไม่โลภไม่อยากได้จัด ถ้าอยากได้จัดก็ไม่มีทางได้ก็ขลักเอาขโมยเอาโกงเอาช่อเอาอย่างงี้ไหมอ่ะอย่างงี้เป็นความเลวของคนเราต้องหัดไม่อยากได้ถ้าอยากได้ทําเอาสิอยากได้อะไรก็ทํำเอาถ้าทำโน่นทํานี่ทําตรงๆไม่ได้นาฬิกาเนี่ยเราทําไม่เป็นแล้วก็ไปทํางานอื่นซึ่งมันจะไปได้เงินแล้วเอาเงินมาซื้อนาฬิกาอย่างงี้เรียกว่าทําโดยอ้อมอยากได้อะไรก็ทำเอาทํางานนี่แหละ ทำอะไรแต่ไรขยันหมั่นเพียรขึ้นมามันก็จะได้เงินเงินเป็นแกวสารพัดนึกเอาแก่สารพัดนึกน่ะมาซื้อสิ่งอยากได้อะไรก็เอามาซื้อเอาได้เพราะอยากได้ไม่ใช่ว่าจะไปทะเลมองมองเอาของคนอื่นแล้วก็ไปแอบขโมยเอาช่อเอาโกงเอาลักเอาไม่ได้อยากได้อย่างงั้นไม่ดีเบียดเบียนใจเขาเบียดเบียนใจเขาโกรธเหมือนกันนะเขาโกรธได้ แล้วเขาพยายามได้เขาฆ่าแกงเราได้เหมือนกันไปขโมยของครับไม่ดีใครๆก็ไม่ชอบเราก็ไม่ชอบให้เขามาขโมยคนอื่นเขาก็ไม่ชอบให้เราไปขโมยมันจะเกิดการขโมยได้ก็เพราะขี้โลบแล้วขี้โลภและขี้เกียจ ด, ด้วยขี้โลบอยากได้จัดแล้วก็ขี้เกียจ ด, ด้วยมมาาไม่รู้จักทํามะหากินไม่รู้จักทํางานเมื่อไม่ทํางานก็ไม่มีสิ่งที่ได้ทีนี้ถ้าผู้ใดไม่ขี้อยากได้ ก็ไม่ต้องโลภอะไรอย่างเป็นพระอ น, นี้ปฏิบัติตนมาไม่ต้องอยากได้ไอ้นนท์อยากได้ไอ้นี่มากมายไม่ต้องอยากได้มันก็ต้องไม่ไปคีดโลภเมื่อไม่คิ้โลภมันก็ไม่คิ้ขโมยของที่เขาให้ยังคืนด้วยเป็นพระนี่ดูตัวอย่างดีๆขาเอาอนนี้อันนั้นมาให้โอ้มากไปแล้วโยเอาคืนไปบังเถอะไอ้นี่ไม่เอาแล้วโยไอ้นี้อัตมาเลิกใช้แล้ว อย่างพวกอัตมานี่แม้แต่เอาเงินเอาทองมาให้ก็บอกว่าเออโยมาฝากคืนไปด้วยเอาไปทำทางกับคนยากคนจนนะคนนั้นคนนี้ก็ควรจะได้ใช้เพราะอัตมาไม่ต้องใช้เงินก็ได้แล้ ว, พวเพราะไ อ, เอ้เงินนี่มันเก่ง น, นักมันทำให้คนข่าแกงกันมันทำให้คนเดือดร้อนมันทำอะไรอะไรให้โลกปั่นป่วนไอ้เงินนี่ <bunun S 2> มันเป็นตัวร้ายพ ว, วกอัตมาก็เลิกไอ้ตัวร้ายนี่ซะไม่ต้องยุ่งกับมันให้เป็นตัวอย่างตัวอย่างแกคนว่าไอ้คนเราเกิดมานี่ไม่ต้องเป็นทาสเงินหรอก ไม่ต้องเป็นขีค่าเงินไม่ต้องไม่มีเงินซะเลยก็ได้เป็นสุขอยู่เบิกบานแจ่มใสไม่มีทุกข์ไม่เดือดร้อนเมื่อมีทางที่ดีปฏิบัติตนเข้าสู่จุดสูงที่ดีได้ก็ไม่ต้องมีเงินได้เป็นตัวอย่างนี้เรียกว่าเอิปัสิโก้ท้าทายให้มาพิสูจน์เรียกร้องให้มาพิสูจนดูซินี่เห็นไม่เป็นคนเหมือนกันแต่ทำไมคนไม่งอเงินก็มี ไม่ต้องทุกตรองอยากเพราะเงินพราทองก็มีได้ใครเอามาให้คืนก็เป็นเออใครเอามาให้ก็คืนได้เหมือนกันอย่างเงี้ยมันน่าอัศาจรรย์ไหมมีแต่คนจะหยิบจะฉวยเอาจะโลภจะหวงจะหอบสะสมแต่เป็นพระนี่เอยเงินทองไม่เอาก็ได้คืนก็ได้แต่พระจะขี้โลภไม่รู้ด้วยนะ แต่ว่าที่พร ะ, พระ ท, ที่เคยเห็นแต่ว่าจะคีรุบไปหัวหัวเอาไปหาเทลายหายหายก็ไม่รู้เลยนะยนพระอยงนั้นก็ไม่รู้ด้วยพระพุทธเจ้าลูกศิษย์พระพุทธเจ้าไม่ได้พาเป็นอย่างนั้นหรอกพระพุทธเจ้าสอนมาให้สาวบอกทำอย่างนั้นแต่ทีนี้ใครจะทําอยู่ก็ไม่รู้ด้วยนะ <Brew. S 1> แต่ว่าพระจริงๆแล้วไม่คี้โลบเราไม่มมสะสมเงินทองไม่ต้องมีเงินเป็นปาฏิหารเป็นของอัศจรรย์อัศจรรย์ที่คนไม่ต้องหลงเงินไม่ต้องเป็นขี้ขาเงินอย่างนี้เป็นต้น ไม่ต้องโลภไม่ต้องอยากได้อะไระได้มากก็อันได้พอสมควรมีข้าวได้ข้าวมากินพอให้ขันมันยั ง, ยงอยู่แล้วก็ทำงานไปงานของพระก็เป็นงานสั่งสอนเป็นตัวอย่างให้แก่คนเป็นที่พึ่งให้แก่คนปลดทุกข์ปลดร้อนสอนสิ่งที่เรียกว่าชั่วสิ่งที่เรียกว่าดีให้คนละชั่วประพฤติดีทาจิตใจให้บริสุทธิ์ไปทาให้หมด ทำสิ่งที่ชั่วๆออกไปจากจิตให้บริสุทธิ์ถึงจิตอย่างนี้พระจะทำหน้าที่ทำงานโดยท่านเองท่านก็สบายขึ้นเรื่อยๆท่านละสิ่งที่ควรละไปได้เรื่อยๆเบาสบายง่ายเป็นอยู่แต่เพียงวันหนึ่งก็กินแต่เพรเานนั้นแหละมันต้องโลภโมโทสันไม่ต้องห ล, ลงอะิเรดอร่อยอะไรนี่อย่างพระแล้วท่านก็บสบายอยู่กินพออาศัยไปวันๆหนึง่งแล้วก็ทางานไปวันต่อวันในคนอื่นได้รับประโยชน์อันนี้เป็นยาก มันเป็นอย่างนี้นะเป็นยากคนทั้งหลายมันยังหลงอยู่มากมันยังติดอยู่มากมันยังออกมายากพระท่านทำได้จึงเป็นผู้ประเสริฐในผู้ที่เราต้องกราบไหว้เคารพไว้ถ้าเราไม่เอาข้าวเอาหน้ามาให้พระกินไว้ท่านจะต้องสะสมเงินและเราก็จะไม่น่าเคารพอีกถ้าพระที่ไม่สะสมเงินเลยไม่ต้องถือเงินถือทองไม่ต้องมีเงินมีทองเลยนี่มันยิ่งน่าเคารพมันยิ่งเป็นปาฏิหาริย์มันยิ่งน่าอัศจรรย์เราต้อง ดูแลพระไอสิ่งที่จําเป็นเรียว่าปัจจัยสี่เงินไม่ใช่ปัจจัยนะเดี๋ยวนี้เขาหลอกโยมแล้วใช่ไหมพอเขาหยิบเงินมาเขาบอกว่าปัใจจัยใช่ไหมเขาเรียกปัใจจัยใช่ไหมเงินอนะ่ะไม่ใช่นะถูกหลอกมานานแล้วใช่ไหมปัจจัยมีสี่อย่างนะปัจจัยมีอาหารมีเครื่องนุ่งหม่มมีที่อยู่มียารักษาโรคนี่เรียกว่าปัจจัยนะใครก็้าไปบอกว่าเงินว่าปัจจนะัยน่ะขี้หลอกคนนั้นเป็นผี อย่าไปเรียกตามเขานะเงินไม่ใช่ปัจจัยเงินเป็นวัตถุอนามาตถถ้าเรียกในภาษาพระว่าวัตถุอนามาตเงินเป็นสิ่งไม่ควรเอามายุ่งเอามาเล่นเอามาจับมาต้องมาสามาสมเงินไม่ใช่ปัจจัยชีวิตเงินเป็นตัวร้ายแหม็ลร้ายจริงๆมันขามันแกงเงินมันมีฤทธิ์มากมันมันพาให้เลวมากในส่ไอตัวเงินเนี่ยอย่าไปเข้าใจว่าเป็นปัจจัยนะไม่ใช่ปัจจัย ถ้าเงินเป็นปัจจัยแล้วพวกอาตมาเนี่ตายนานแล้วเพราะขาดปัจจัยเพราะอาตมาไม่มีเงินกันปัจจัยนี่เป็นของจําเป็นในชีวิตใช่ไหมถ้าขาดอาหารตายขาดเครื่องนุ่งหม่มหนาวจัดตายขาดที่อยู่ที่พักไม่มีที่อยู่ที่พักเลยมันรู้จะไปแขวนอยู่ที่ไหนตายเป็นโรคเป็นภัยขึ้นมาไม่มีอยู่ไม่มียากินตายนี่เลยว่าปัจจัยนี่สำคัญอย่างนี้ถ้าขาดล้วตายถ้าเงินเป็นปัจจัยด้วย เพราะอาตมาก็ตายแล้วเพราะพวกอาตมาขาดเงินไม่มีเงินนี่มันไม่ใช่ปัจจัยนะอย่าไปถูกเขาหลอกในะนี้ถูกเขาหลอกมานานแล้วเดี๋ยวนี้พระเบียบเบ่ยวบาลีสอนนะเบี่ยวบาลีบอกว่าเงินเป็นปัจจนะัยนะโยมโยมก็เชื่ออย่าเชื่อเขานะฟังดีๆที่อาตมาพูดนี่ฟังดีๆอย่าไปถูกหลอกพระท่านไม่สะสมเงินหรอกไม่สะสมหรอกไม่ใช่ปัจจัยปัจจัยสี่มีบริหารมีเครื่องประกอบนิดหน่อย มีบาทมีมีดโกนมีอะไรเครื่องประกอบไอ้บริคานเล็กน้อยสําหรับยังอยู่สําหรับทําประโยชน์ต่อไปอย่างนั้นเดียว่าบริคารเออถ้าเรียกว่าเงินเป็นบริาคารก็ ย, ยังพอจะฟังได้นะแต่เรียกว่าปจัจจัยนี่เบี้ยวบาลีกันถนัดใจเลยนะเบี้ยวอย่างหนักเลยถ้าเรียกเงินเป็นบริคานมีเครื่องประกอบการงานเออพอใช้ได้ยังเรียกว่าอย่างนั้นยังฟอถูบทายไปรเรียปัจจัยด้วยนี่เรียกว่าเจตนาเบี้ยวบาลีหลอกลวงโลก อย่าไปเรียกตามเขาเราเป็นผู้เรียนธรรมะเข้าใจจริงแล้วก็ทําความเข้าใจให้ชัดเจนอย่าไปถูกเขาหลอกง่ายๆคนไม่มีเงินจึงเป็นคนที่อยู่อย่างปฏิหารหรืออยู่อย่างอัศจรรย์เมื่อภูมิท่านไม่มีเงินแล้วท่านจะอยู่เราก็จะต้องช่วยให้ท่านมีข้าวกินจึงจะต้องทําบุญทําทานกับพระ พระจริงๆที่ทําไม่มีเงินม่มีทองซื้อถ้าไม่ให้ข่าวให้น้ําคินแล้วประเดี๋ยวท่านจะไปสะสมเงินอีกแล้วไม่ดีมันย้อนกันอย่างเงี้ยมันวนนะมันยอนเพราะงั้นต้องช่วยท่านไว้พระไหนยิ่งดียิ่งต้องพยายามดูแลทําทานทําบุญกับท่านเข้าไปเรื่อยๆท่านจะได้อยู่อย่างบริสุทธิ์ไม่งั้นท่านจะต้องไปสะสมเงินทองหาเงินหาทองอีกไม่บริสุทธิ์แล้วประเดี๋ยวทัานจะไปขี่โลภมากขึ้นไม่ดี อาทินนาเนี่ไม่เอาของเขาอย่างหยับยาไม่ลักขโมยไม่เอาของเขาที่เขาไม่ให้อย่างละเอียดเข้าไปก็จะไม่โลภไม่โลภแล้วให้ด้วยทานอาทินนาอาทินนาทานอาทินนาทานาทานไม่เอาของเขาไม่ให้แล้วทานกับคนอื่นไปอีกเพราะให้เป็นคารวาสก็ทําได้ศีลข้อสองนี่นอกจากไม่เอาของเขาที่เขาไม่ให้แล้วไม่ลักไม่ขโมยแล้ว เราก็มีมาก็ให้เขาด้วยหัดทําทานเป็นบุญทานกับคนก็เป็นบุญให้ข้าวให้ม้ากินก็เป็นบุญแล้วเพราะฉะนั้นยิ่งให้ข้าวกับคนกินคนทุกคนยากคนเคราะห์บากหรือให้เงินให้ทองแก่เขาให้เสือ้อให้ผ้าให้อะไรก็ตามแต่เครื่องใช้ไม้สอยที่เป็นของสมควรก็เป็นบุญทั้งนั้นผัดให้จิตใจจะได้ละความโลภการละความโลภ นี่แหละเป็นการพ้นทุกข์อีกชนิดหนึ่งเมื่อกี้พ้นทุกข์โดยชนิดอธิบายไปแต่ต้นและเป็นกรรมฐานว่าอย่าเกิดทุกข์อย่าทำทุกข์ในแต่ตนอย่าทําความโกรธให้แต่ตนนั่นตอนนี้อย่าทําความโลภหัดให้นี่แหละคือมันจะละความโลภในตัวไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปอยากละความโลภหรอกหัดให้เสมอเสมอเสมอจิตใจมันือจะสบายผ่อนคลายเพราะฉะนั้นเวลาทําทานแล้วอย่าไปเอา ทานนี่แปลว่าให้นะทานไม่ใช่แปลว่าแลกไม่ใช่แลกเลยนะแล้วไม่ใช่ไปเอาด้วยนะทานไม่ต้องไปเอาทานไม่้ต้องอยากได้ไปทําทานนี่จะไปอยากได้เพราะเวลาเราไปทําทานทําทานข้าวให้พระกินเอากับข้าวไปให้พระกินเอาผ้าสบงจีวรไปถวายพระก่อนถวายก็ประนมมือแล้วก็เอาถวายให้ไม่ใช่ประนมมือขึ้นมาราซาทุ ขอให้ลาขอให้รวยขอให้ได้เงินหมื่นขอให้ได้เงินแสนไ ม, ไม่เอานะย่างงั้นไม่เอานะั่นไปเอาแล้วนะั่นน่ะไปขีโลบใส่จิตแล้วฟังดีๆนะไม่ใช่ไปเอาไม่ใช่ไปให้นะไปทาทานอุตสาบางคนก็ถือขันข้าวมาเอาข้าวมาให้พระกินมาถึงวัดเลยนะก่อนจะให้พระเอาแล้วยกขันข้ากุญซ่าทุกขอให้ได้รวยเงินหมื่นขอให้รวยเงินแสน ขอให้ได้ที่นาเยอะๆขอให้ได้บ้านหลังใหญ่ๆขอให้ได้แฟ น, แฟนงามๆน่ะขอเอาตะพุธตะพื้นเลยข้าวขันเดียวบางทีข้าวทับพีเดียวด้วยแลกเงินหมื่นแลกเงินแสนนะขีโลบจัดไหมฟังดูดีๆฟังดูนะวัธาเนี่แปลว่าให้หมายความว่าให้ธานไม่ในหมายความว่าแรกถ้าแรกในหมายความว่าซื้อเอาเงินไปเอาของมาเอาเพชรไปเอาข้าวมา อาพลอยแลกไปเอาของมาเอาเสื้อผ้าแลกไปเอาคนนั้นเอาข้าวแลกมาอันนี้แลกเปลี่ยนกันถ้าเราเอาเงินไปแลกเราเรียกว่าซื้อถ้าเราเอาของอื่นไปแลกเราก็เรียกว่าแลกกันมันเหมือนกันแหะซื้อก็คือเอาเงินไปแลกเอาของมามันก็เหมือนกันก็แลกเหมือนกันเราไปทําทานนี่เราไม่ได้ไปแลกนะเราไปให้เขานะพาะ่ายจะไปทําจิตว่าอยากได้อย่างโง่อยากได้อย่างนี้มันเหมือนเล่นการพนันเหมือนแทงไฮโล นะเหมือนแทงหวยแทงไฮโลสาธุนี้นะเอาเสียงไทยเอาเงินมาเอาหน้าโสเสีย10 บ, บาทวางเข้าไปสูงห้าแต้มขยาวก๊กกกกอกๆอกอกมาไม่ใช่หา้าเขาก็กินเงินเราไปฟรีๆถ้าบอกว่าได้ห้านี่เออได้สองต่อเขาจ่ายมา1ิ บ, บาทเราได้กำไรได้สิบหรือเขาจ่ายมาสามต่อสี่ต่อได้เปยี 20, ่ 40, สิบได้เปสี่สิบลงทุนไปห้าเงินห้าก็ไม่เสีย ได้คืนมาอีกเป็นยี่สิบสี่สิบนี่มันเล่นการพนันนถ้าเขาถ้าเขาไม่ออกเขาก็กินไปถ้าเขาออกเราก็ได้มาเหมือนกับเราเอาข้าวไปถวายพระและว้วซ่าทุกอให้งในเงินหมื่นเงินแสนแล้วก็เอาข้าวไปให้พระแล้วก็นางฝันอยู่เฉยๆแล้วก็จะได้เงินหมื่นเงินแสนไม่ได้ด้วยนะพอไม่ได้แล้วหาทานทาําไงก็ไปเล่นหวยไปเล่นนันเล่นนี พอได้เงินแสนเงินหมื่นมาโอ้ยนี่พ่อไปทําทานมาไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันหรอกไม่เกี่ยวกันหรอกพ่ไปทําทานพ่อไปให้พอไปใส่บาทไปไปทําบุญที่วัดมาไม่ใช่หรอกอย่าไปคิดผิดนะอย่าไปคิดผิดไม่ใช่นะถ้าเผือว่าเราไปแบบว่าขอให้ได้เงินหมืน่นเงินแสนแล้วเราไปซื้อหัวอีกตั้งพันบาทไม่ได้โอ้ก็เหมือนกันการการพนันลุกมดขาดทุน อย่างนี้ไม่เอาอการทําทานหมายความว่าให้เพราะฉะนั้นมาให้พระก็จบมือนี่หมายความว่าต้องประนมไหว้ซะก่อนเราจะให้ทางแก่พระนี่พระเป็นผู้ที่อยู่ในฐานะสูงเหมือนผู้ใหญ่เหมือนผู้ใหญ่เราจะให้ของแต่ผู้ใหญ่เราก็ต้องคารวะให้นะผู้ใหญ่มาอย่างนี้ผู้ใหญ่ยิ่งพระเจ้าแผ่นดินมานี่เราจะให้ของท่านนี่เราจะต้องโคง้คงคอมให้อย่างนี้นะเรา อะไรนี่ยกมือไหว้แล้วเราให้เหมือนการให้ของแก่พระแล้วก็ไหว้สะกก่อนแล้วก็ให้ให้เสร็จแล้วก็ไหว้อีกไอ้ไหวย้ยกมือประนมเรือว่าอะไรว่าจดสักก่อนเนี่ยจบจบสะกก่อนเนี่ยไม่ใช่ว่าให้ไปอธิษฐานขอนะศาสนาพุทธไม่ขอศาสนาพุทธยอดเยี่ยมเลยไม่ขอไม่จะ่ขอทานนะไม่ขอเอาไม่ขอ ศนะาสนาพุทธไม่ขอนะยิงแลยยอดยิงไม่จะขอทานนะจะได้อะไรจะมีอะไรทําเอาอัตหิอั ต, อตนโนนาโถปกโกหินาโถปรโรสิยาอยากได้อะไรอยากมีอะไรหรือว่าจะให้มีอะไรอยากจะเป็นอะไรจกจะได้อะไรมันจะเกิดมาทําขึ้นเลยเนี่ยตนของตนเป็นที่พึ่งของตนทําขึ้นมาเลยจึงจะแท้จึงจะดีจริงศาสนาพุทธสอนในคนเป็นอย่างนั้น อนอกจากเราจะไม่ขโมยแล้วเราจะต้องให้อย่างกล่าวนี้ให้หรือทําทานทานนะภาษาบาลีนะทานนาี่เป็นภาษาบาลีเป็นภาษามคตแปลว่าให้ไปให้เอาข้าวไปให้พระก็ไปให้ไม่ต้องไปงมงายเอาข้าวไปให้พระแล้วก็สาทุคคอให้ข้าวเนี่ยไปให้พ่อแม่ที่ตายไปแล้วนู่นเอาทิศไปตรวจน้ําหยาดน้ําไปสาทุเอา้าวคอยให้พ่อแม่ได้กินข้าว วันนี้บางคนไปทําทานกับพระพระที่กินเนื้อสัตว์อยู่ก็เอาแกงปลาเอาต้มไก่ไปถวายพระยิ่งเอาอิจตรงตับไก่ไปดีๆไปให้พระกินหรือเอาใส่ไปช่อนไปต้มดิบๆไปให้พระกินจะกินแล้วจะบอกว่าสาธุนึกพอกินนะนี้ตับไปับไก่นะเนี่ยเครื่องในไก่อย่างดีเลยนี่ตับนี่จะไข่ทั้งไข่ทั้งใส่ไปช่อนเลยนะเนี่ยส่งไปให้พอ่อพ่อชอบนักมันจะให้ดีๆ มันไม่ไปเอามาถวายพระก็พระก็ได้กินดีๆนั่นแหละเอามาถวายพระพระก็กินเข้าปากลงไปอยู่กระเพาะกินเสร็จแล้วพระก็ บ, บอกเอาตรวจน้ำหญาติน้ําเนอ้อเอาน้ํามาหญาดนึกถึงพอ่อถึงแม่ให้มันไปยาหนาไปยะทาวริวหาปุราบ ร, ริบุเรนติสาครังหยาิใหญ่เลยอยู่ในกระเพาะใส่ปลา ใส่ประคอดีๆมันม่นอยู่ในกระเพาะพระไม่ออกไปหยาดน้ำซิปองค์ก็ไม่ไปใช่ไหมคิดดีๆไปไหมไ ม, ไ, ไม่ไปนะถูกเขาหลอกมานานแล้วนะและไอ้นี่ไม่ใช่ศาสนาพุทธหยาดนา้านี่ไม่ใช่ศาสนาพุทธศ า, า, าสนาพุทธไม่ต้องหยาดน้ําหรอกท่านเรียกว่าสินเจนยันภาษาบาลีเขาว่างัน้น สิจ่จริญาณ น, นี่เป็นก็ศาสนาพราหมณ์ป็นก็ศาสนาอื่นๆเขาทากันถึศาสนาพุูดไม่ต้องประหยัดน้ำไ ม, ม่เสียน้ำหรอเหยียดหยาดเราเสียน้ำํำเปล่าๆหนักมือเมื่อยมือเมื่อยข้อมื อ, ม อ, ม อ, ข อ, มอแขนทําบุญเนี่ยหรือว่าไปทำทานนี่ทำปุ๊บเราได้บุญปับ๊บได้เลยไม่ต้องประหญาดน้ําเอาบางคนบอกว่าทําบุญแล้วต้องหยาดน้ําถึงจะได้บุญบางคนว่าไงนะ ทำไมทำบุญถึงต้องหยาดน้ำเพื่อจะได้บุญก็ในเมื่อเราไปทําบุญหรือไปทำทานี่ไปให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือไปทํางานช่วยเหลือเขาเนี่ก็เป็นบุญเอาข้าวอาของไปให้เขานี่เป็นทานเนี่ก็เป็นบุญได้บุญถ้าไม่ต้องหยาดน้าเอามาให้เขาแล้วเป็นบุญแล้วเป็นความดีเป็นความดีแล้วทําความดีทันทีแล้วไม่ต้องรอไม่ต้องหยาดน้ําไม่ต้องยังง้นย่างงี้ไม่ต้องเป็นความดี ทำบาปเคยหยาดน้ำไหมไม่เคยก็ไม่ได้บาปทีทีทําบุญต้องหยาดน้ำถึงจะได้บุญใช่ไหมตาทาบาปไม่ได้เคยหยาดน้ํามันก็ไม่ได้บาปทีทีทําบุญต้องหยาดน้าถึงได้บุญทําบาปไม่หยาดน้ามันก็ไม่ได้บาปทีแต่ได้ไม่บาปอ่ะได้เนี่ยทาบาปปุ๊บก็ได้บาปปั๊บเพราะฉะนั้นทําบุญนี่ทำบุญปุ๊บก็ได้บุญปั๊บไม่ต้อง ค อ, อยหยาดน้ําไม่ต้องไปเสียเวลาหยาดน้ําได้แล้วบุณใครทําคนนั้นได้บุญใครบุญมันบาปใครบาปมันแยก่กันก็ไม่ได้ส่งไปหากันก็ไม่ได้ส่งบุญไปหาคนที่ตายพ่อแม่ที่ตายไปแล้วส่งไปไม่ได้ถ้าบาปใดบุญใดคนไหนทําไว้เป็นกรรมติดตัวของใครของมันทําแทนกันไม่ได้น่าฟังดีๆน่าฟังดีๆนะ เพราะนั้นแก้ไขเวลาไปทําทานกับพระไปทําบุญกับพระเรียกว่าไปทําบุญนี่แหละทําความดีบุญนี่แปลว่าชําระกิเลสที่จริงคำว่าบุญนี่แปลว่าชําระกิเลสเราไปทําทานกับพระเราก็เอาข้าวเาน้าไปเลี้ยงพระไว้ท่านจะได้เอาไปปัญญาหรือว่าเอาสิ่งที่ดีที่ท่านบรรลุท่านรู้แจง้งแล้วมาสอนเราท่านเข้าใจลึกซึ้งท่านเอามาสอนเราเพราะฉะนั้นเราเลี้ยงพระไว้เราก็ไป ท่าเป็นผู้ที่รู้ผู้สูงเราก็ไปไหว้เคารพแล้วเราก็ให้ทานแก่ท่านแล้วก็รับฟังท่านตั้งใจไว้ตั้งใจตั้งใจที่จะรับธรรมตั้งใจที่จะรับปัญญาตั้งใจที่จะรับศีลนี่เราเรียกว่าอธิษฐานอธิษฐานนี่หมายคำ ว, ว่าตั้งใจนะไม่ใช่ว่าไปขออธิษฐานอย่าไปแปลว่าขอนะฟังดีๆ อธิษฐานไม่ได้แปลว่าขออธิษฐานแปลว่าตั้งใจถ้าตั้งใจรับศีลกระจายเราก็จะเปิดรับอ๋ออันนี้เป็นขอศีลนี่ทุกคนกําลังฟังศีลนี่กําลังรับศีลนะเนี่ยเนี่ยธรรมากําลังอธิบายศีลนะขอให้ทํำยังไงอธินาทานทั้งไม่เอาของเขาทั้งไปทานทานยังไงเนี่ยธรรมาอธิบายสู่ฟังอยู่เดี๋ยวนี้เคยได้ฟังมั้ยนะศีลอย่างเนี้เคยไหมเคยฟังที่อธิบายอย่างนี้ยเหรอ เคยไหมไม่เคยครับเคยจะไปถึงกับอธินาธานาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิจบเสรจเท่านั้นใช่ไหมครับแล้วก็ไม่รู้เรื่องนี่ตอนนี้รู้เรื่องขึ้นใช่ไหมวาสีนคืออะไรอธินนาธานมันหมายถึงอย่างนี้นะเราต้องปฏิบัติตนไม่เอาของเขาแล้วก็พยายามให้ให้แล้วก็ไม่อยากได้ไม่จะให้แล้วก็อยากได้อีกอยูนันเป็นการพนันเป็นแลกเปลี่ยนอยู่ไม่เอาไม่ต้องอยากได้ การไม่อยากได้นี่เป็นการละ ก, กิเลสไหมละไหม<ะ>เออล้วก็ปฏิบัติอาศิยเราได้ทําการละกิเลสด้วยไม่อยากได้ลงไปทุกทีทุกทีไปอยากได้นี่เพิ่มกิเลสหรือลดกิเลสเพิ่มกิเลสครับเพิ่มกิเลสใช่ไหมครับพอเอาข้าวไปเอาข้าวใส่ขันมาหรือใส่กระติบมาเอามาทานเนี่ยก่อนทานก็ยกใจหัวซาทุกคอยได้เงินหมืน่นเงินแสนนี่แสดงว่าอยากได้หรือว่า ไม่อยากได้แสดงว่าอยากได้เอากิเลสหรือว่าลดกิเลสเอากิเลส น, นั่นมาทำบุญแล้วมาเอากิเลสนั่นเห็นไหม <laughs> เห็นไหมเอาข้าวใส่กระติบมาอย่างดีเลยจะมาทำทานให้แก่พระแท้ๆอย่างสาธุก็ให้รวยเงินหมื่นเงินแสนอ้าวมาเอากิเลสเลยไม่ใช่นะเราเอาข้าวมาให้พระฉันเลี้ยงท่านไว้แล้วก็มาหาพระและพระท่านก็ใจใจแสดงธรรมให้ฟัง บรรยายทำไปฟังอย่างที่อาตมาบรรยายดีล่ะนะนะล้หัดทำอย่างที่ว่านี้นี่เข้าใจนะอาตมาอธิบายนี่ให้เกิดปัญญามหาพรานี่จะเกิดรู้สีลและจิตก็สูงขึ้นเพราะเข้าใจก็แขิดแกลวคลกะมันเกิดปัญญาศีลจะทําให้เกิดปัญญาปัญญาจะให้เกิดศีลปัญญาจะส่งเสริมให้เกิดศีลสีลจะให้เกิดปัญญาส่งเสริมกันอยู่เรื่อย พราะนั้นขนาดที่โยมฟังอาตมาอธิบายนี่โยมก็เกิดปัญญารู้มากขึ้นพอรู้ก็เข้าใจแล้วทีหลังก็ไปหัดทําเอาอย่าไปทําอย่างที่อาตมาบอกแล้วว่าอย่าไปทำอย่าไปตั้งจิตขอจะให้ก็ให้อย่าไปเอาอย่าไปทําแลกเปลี่ยนอยู่มันเป็นกิเลสอย่าไปเอากิเลสเข้าตัวอย่าไปเอาตัณหาเข้าตัวให้หัดละนะ อันนี้สีลข้อที่สองอธินนาทานศีนข้อที่สศีลข้อที่สถ้าเป็นศีล8ดท่านเรียกว่าอพรมมจันทร์หรืออภรมมจริยาอพรมมจริยานี่ยถ้าเป็นศีลห้าท่านบอกว่ากาเมสุมิชาจารหรือกาเมสุมิชาจริยาเหมือนกันนั่นแหละจัญญาจัญญาเนี่ภาษาบาลีมันแปลว่าความประพฤติมันแปลว่าพฤติการ เรียกว่าแปลว่าบทบาทปแปลว่าการกระทาอยู่นะไอ้ยังหยาบหยาที่เรียกว่ากาเมสุมิชา้าจารานี่มันหมายความว่าเรานี่เป็นหลงลูบลดกลิ่นเสียงสัมผัสอ่ามีผัวมีเมียเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเลยเป็นกิเลสหยาบที่สุดอ่าเป็นกิเลสหยาบที่สุดลูบลดกลิ่นเสียงสัมผัสทั้งหมดเลย ทั้งหูตาจมูกลิ้นกายใจด้วยใจรักใจเกิดรดมันเป็นความอยากไปหมดตาเห็นสวยก็แม่อยากได้อยากได้เจ้าเด้หูได้ยินเสียงเพราะก็อยากได้กลิ่นหอมก็อยากได้เดี๋ยวนี้เขาเอาลิ้นนะลิ้นแตะไปชิมเลยนะชิมกัน้น อ, อย่าง อย่างพวกชาวฝรั่งฝรั่งห ร, งหรือว่าชาวในกรุงเขาอย่างเงี้ยผู้หญิงผู้ชายเขาหอมกันเขาดมกันเขาเอาลิ้นไปแตะกันเนี่ยยังงั้นนะจบกันะต่เขาก็ว่าเขาเป็นสุขอกอดกันสัมผัสกันเป็นสุข <c oughs> เสียดสีกันสุดท้ายก็เสียดสีสัมผัสกันก็ว่าเป็นสุขพวกนี้มันเป็นกิเลสหยาบ ทั้งห้าประตูหกประตูทั้งใจโดยครบทุกทวารผู้ใดไม่มีไม่เกี่ยวข้องผู้หญิงผู้ชายก็ถือว่าบริสุทธิ์มาแล้วส่วนหนึ่งจึงเรียกว่าพรหมจรรย์เป็นผู้มีพรหมจรรย์เป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องโดยผู้หญิงโดยผู้ชายยิ่งใครไม่เคยแตะต้องเลยเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นคนผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตาม ไม่เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องผู้หญิงผู้ชายไม่เคยสมสู่ไม่เคยแตะต้องอะไรถือว่าเป็นคนมีพรหมจรรย์เป็นคนบริสุทธิ์ผู้หญิงก็ บ, บริสุทธิ์ผู้ชายก็ถือว่าเป็นคนบริสุทธิ์เพราะันสิ่งที่เป็นอพรหมจรรย์เราต้องละเวน้นอภพรหมจริยาหรืออภพรหมจรรย์เนี่ยเวลาณีแปลว่าละเวน้นเลิกไม่เอาอะไรที่มันไม่บริสุทธิ์ไม่เอาหรอกเราจะปฏิบัติสิ่งที่บริสุทธิ์นะ เราจะบริสุทธิ์เรื่องผู้หญิงผู้ชายเรื่องสมสู่นี่หยาบที่สุดท่านอนุโลมพระพุทธเจ้าท่านอนุโลมว่าคนมันหนามันแน่นมันหยาบอยู่เอาละเขาจะต้องมีผัวมีเมีย ม, มีสมสู่อยู่ก็อนุโลมให้เขาให้มีได้คนหนึ่งสมสู่คนนึงมีผัวเดียวเมียเดียวนี่ก็แสนที่จะมีทุกข์มียากลําบากลาบน ถ้าใครตัดกิเลสได้ลดได้ไม่มีตัณหาราคะไม่มีความอยากมากมายไม่มีผัวมีเมียเลยเป็นอัปพรมจริยาขั้นต้นขันยาเรียกว่าไม่เกี่ยวข้องกันเรื่องผู้หญิงผู้ชายนี่เรามาอยู่นี่เราถือศีลแปดนี่เราไม่เกี่ยวข้องผู้หญิงผู้ชายไม่ยุ่งกันและวในขนาดนี้ในเวลาเจ็ดวันนี่เราก็เอาดีแล้วละ่ะแต่ดีชั้นหนึ่งถ้าทําได้มากกว่านั้นยิ่งดีกว่านั้น กลับไปแล้วก็ลดลงไม่เกี่ยวข้องเลยเดือนหนึ่งก็ไม่มีสองเดือนก็ไม่มีสามเดือนปีนึงยิ่งได้ตลอดเลยยิ่งบริบูรณ์เหมือนอย่างพระนี่อภิรมาจันตลอดไปอย่างนี้เป็นต้นนี่ยังหยาบทีนี้อย่างละเอียดนั่นห ม, หมายถึงว่าเราจะต้องบริสุทธิ์ไปหมดกามคุณนห่านี่หมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายอย่างที่ว่าแม้ที่สุดความใคร่อย่างอยู่ในใจเรียกว่า ท่านเรียกว่าภาวะตันหาท่านไม่เรียกกามาตันหาแม้ที่สุดอยู่ในใจก็เราจะละเว้นออกหมดไม่เป็นธาตุตาไม่เป็นธาตุหูไม่เป็นธาตุจมูกไม่เป็นธาตุลิ้นไม่เป็นธาตุกายไม่เป็นขีขานไม่เป็นขีขารูรดกลิ่นเสียงสัมผัสเห็นรูปก็เกิดความอยากอยู่อยากได้เอ้โอ้ยสวยเด้งามเด้มักเด้ยไม่เอาอย่างนั้นไม่เอารู้เท่าทันนะมีสติ เป็นสติปัญญารู้ว่าไอ้นี่นี่โลเขาบอกว่าสวยสวยก็โลกเขาหลอกกันเขาสวยของเขาเองเขาหลอกกันเองเราไม่ต้องสวยกับเขาไม่ต้องอยากได้กับเขาก็ได้ไอันนี้เขาบอกว่าเพราะเด้อยากฟังเน่อยากได้ยินเน่ก็ไม่เอาไม่จําเป็นเห็นแล้วว่าไม่ต้องไปได้ยินก็ได้อย่างนี้ไม่จําเป็นถ้าสิ่งไหนจําเป็นสิ่งนั้นเขาบอกแล้วก็เป็นการสร้างสรรค์ทีดีอย่างมาฟังพระ โอ้พระทันเทิดดีได้พูดดีบรรยายดีรู้เกิดปัญญาเกิดความรู้สูงเอาไปทําตนเจริญเออย่างนี้น่าฟังแต่ไปฟังเนี่ยนักร้องร้องใหญ่เลยร้องเพลงโน่นเพลงนี้โอ้อยากฟังเดเพาะเด้มวลเด้ไม่ได้เลืองฟังแล้วก็ไม่ได้เลืองไม่ได้สูงขึ้นอะไรมีแต่เสียเงินเสียขาดผ่านวิทยุ เสียเงินเสียทองไปฟังมันร้องสดๆก็ไปจ่ายเงินเขาไปนั่งอาปากวอฟังมันร้องแยง่งแย่งออกมาแล้วก็เสียเงินเปล่าไม่ได้อะไรเสียเวลาธรรมะ ก, กินด้วยไม่ได้เรื่องอย่าไปติดอย่าไปหลงมันนะเนี่ยทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกหูดังเนี่ยทั้งลิ้นไปติด ไอเนี่ยนแสบได้อยากกินไม่ได้กินก็ต้องไปหาบางทีอยากกินเนี่ยนเด้เดินออกไปซื้อนุนอยู่ที่กันทะ ล, ลักไม่มีก็ไปซื้อซีสเกตอยู่ซีสเกตไม่มีไปซื้อน่นนะที่ไหนก็ไม่รู้ <S <S พราะมันอยากกินบางทีใช่ไหมบางทีเนี่ยไปที่น่นที่นี่โอ๊ยไอนี่ยอยากกินเห็นแล้วอดไม่ได้ต้องซื้อขอบมาหนักเท่าหนักก็หิวมาหิ้วห่ ว, วใหญ่เลยโอ้โหแต่ถ้าที่ที่นี่ก็มีเกินในบ้านเราเนี่ก็มีกิน มีผักมีพืชอะไรกินไม่ตายไม่ตายเราไม่ต้องหอบต้องเหี่ยวไม่ต้องหนักต้องน้าก็ได้แต่เป็นขี้คาีกตัวเนี้ยลินนีเห็นแล้วโอ้โหเห็นแล้วมันอยากนี่น้ำลายไหลขึ้นมาทีเดียวหอบเลยแบกซื้อบางทีแพงๆด้วยหอบหนักก็หนักมาถึงบ้านรีบปิ่งรีบจีรีบเผากินใหญ่เลยก็เท่านั้นพวกนี้ล้วนแล้วแต่เรื่องของรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสทั้งนั้น เราต้องหัดหัดอดหัดฝืนหัดสู้กับความอยากมันอยากทั้งนั้นะมันอยากได้อย่างเคยๆอย่างที่ไปท่านเรียนอุปท า, านไปจิตไปยึดเอาไว้จะต้องเอาอยางงานันจะต้องไได้ยางงันมามันอยากอย่างงาั้นพอมาอยู่อย่างนี้แล้วมันไม่ได้ดังใจเนี่ยมันจะทุกข์ไอ้ตัวตัณหาเนี่ยาภาทุกข์ไอ้ตัวอยากได้ดังใจนี่มันทุกข์มาลองดูจะดิ้นออกก่อนกันไหมบางคนสามวันเออเาใครสามวัน เห็นว่าเอ้ยดีนี่อยู่ได้สบายจะต่อไปอีกได้ก็เอาลองดูต่อไปอีกให้มันถึงเจวันครบรอบเพื่อนกับฝูงเขาดูถ้าใครสามวันหรอกแม่จะขาดใจโอ้เอาแล้วไม่ไหวแล้วเ้าก็กับก็บกลับอ่าถ้าใครเจ็วันแล้วก็ยังสบายก็แสดงว่าคนนั้นบุญสูงมีบุญสูงมีอ่พาพลวัตปัจจัยดีมีอินทรีย์พละกล้าอ่าบำเพ็ญต่อไปเรื่อยๆที่นี้ก็มีอะไรไปบำเพ็ญต่อที่บ้านต่อ ทำได้แม่อยู่ที่นี่อยู่ที่บ้านก็ทําได้ก็จะได้บุญสูงเจริญอ่ะบำเพ็ญทำได้ผลสูงขึ้นไปเรื่อยๆๆๆๆตามลำดับตามลําดับอ่ะนะแลวเราไปฝึกขัดอย่างนี้แล้วก็มาเรียนรู้อย่างนี้เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายก็ดีเรื่องอะไร อ, อะไรก็ดีมีรายละเอียดมีมุมมีเหลี่ยมที่จะทําให้เราเข้าใจอ่ะพระ ต, ต่อไปก็จะอธิบายสู่ฟังหรืออธตมามบางทีก็อาจจะอธิบายแสบๆซ้อนๆไปพลางตอนนั้นตอนนี้อยู่บ้างในวันอื่นๆต่อไปนะักพระพวกเราก็จะอธิบายสู่ฟังให้รู้แง่รู้มุมรู้เหลี่ยมรู้เชิงเราเคยมาแล้ว่ะแต่ที่นี้เราไม่ได้คิดพอพระท่านมาพูดขึ้นเราจะได้คิดว่าโอ้จริงด้วยแฮจริงด้วยแต่เราไม่ไหวทันแล้วเราก็จะได้คลายใจเออทีหลังเราอย่าเลยลดเถอะละเถอะอ่า ละมาแล้วมันก็จะได้สบายมัเป็นภาระปรงภาระเบาภาระว่างลงหยุดลงเป็นผู้หลุดออกติดไอโนนติดไอนี่กัหลุดออกไปได้แกะออกไปได้หลุดออกไปได้มันก็เป็นผู้หลุดพ้นมีวิมุตต์เราจะมาปฏิบัติพรหมจรรย์อย่างนี้ผู้ใดมีพรหมจรรย์นี่หมายคำว่าบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆเรื่อ ย, อยสุดท้ายแห่งพรหมจรรย์เป็นพระอรหันต์นี่เป็นผู้มีพรหมจรรย์เป็นผู้มีศาสนา เป็นผู้มีธรรมะเต็มเรียก ว, ว่ามีพรหมจรรย์บริสุทธิ์สุดยอดเลยเราจะให้ได้ไปถึงขนาดนั้นในที่สุดก็ค่อยๆ อ, อธิบายค่อยๆเล่าสู่กันฟังไปช้าๆก่อนอเรายังไม่เคยอธิบายกันละเอียดละออลรอธิบายกันจนให้เข้าใจดีๆมาก็ฟังก็ค่อยฟังก็ค่อยชี้แจงก็ค่อยแจกแจงกันไปเรื่อยๆแล้วก็หาประพฤติปฏิบัต อาก็ขออธิบายศีนใน3สามข้อศีลข้อที่สมุสาวาธาศีลข้อที่สนี่ถึงขั้นวัจีข้อหนึ่งปานาข้อ2อธินาข้อสาอพรมมจริยาที่อธิบายไปแล้วนั่นเป็นเป็นกายกายทั้งหมดเราจะไม่มีกาม เราจะไม่มีพยาบาทเราจะไม่มีเบียดเบียนย้อนไปอรมัมจจริยาหมายความว่าไม่มีกามเราจะพยายามตัดกามไม่ให้มีกามาวิตกเราจะไม่ให้มีพยาบาทวิตกไล่ขึ้นไปเราจะไม่ให้มีวิหิงสาวิตกไม่ให้มีเบียดเบียนกันไม่ให้มีโกรธแค้นขุนเคืองอะไรโลภโมโทสันไม่ใหม้มีทีนี้มุสาเนี่ย ท่านก็ให้ระวังปากระวังคอระวังคำพูดคำพูดก็ไม่เกี่ยวข้องกับศีลข้อที่หนึ่งที่สองที่สามานั่นแหละไม่เอ า, าบางทีมันอยากฆ่าสัตว์กระ บ, บอกเขาฆ่ามันก็ไม่เอ า, าหรือว่าฆ่าไม่ได้กับพูดดุนแรงเขาให้เขาบาดอกบาดใจเจ็บอกเจ็บใจพูดเขาจนเขาฆ่าตัวตายตา ย, ตายเลยก็ได้บางคนไม่เอา หรือแม้ที่สุดมาพูดโกหกตอแหลขี่ชอพดโกงอย่างงี้ก็เสียหายอไม่ดีต้องให้ระมัดระวังปากคอถ้าเรารู้ซะแล้วเราก็เลิกมันไม่ดีไม่ดีอะไรหรอกลองดูซิว่าเราไม่พูดโกหกบางคนที่บอกว่าเป็นผอค้าถ้าขายข้าขายของเป็นผกค้าทำไม่โกหกจะขายได้ยังไงเออถ้ามันไม่ได้ก็ให้มันไม่ได้ถ้าไม่ต้องโกหกขายไม่ได้ก็ไปหาอาชีพอื่นที่มันไม่ต้องโกหกดีกว่าไหม ลองดูสิทำไมจะต้องโกงหกเขาอาตมาเคยแนะนาพ่อค้ามาบอกว่าถ้าค้าขายไม่โกงหกทำยังไงถึงจะได้ได้ทำเลยบอกโกงๆเลยเราซื้อมาถ้าถามต้นทุนบอกต้นทุนเลยเอากำไรเท่านี้เขาบอกว่าใายขายเท่าทุนบอกว่าพ่อค้าที่โลงไหนเขาขายเท่าทุนพ่อค้านะต้องมีค่าบริการค่าไปเอามาค่าไปซื้อไปหามาเพื่อที่จะให้เราสะดวก เขาเรียกว่าค่าบริการก็กําไรส0 20% ปเป็นธรรมดาอย่ามากไม่ต้องมากเราอยค้าขายนี่ยอย่าค้าเอากําไรมากอย่าช่วยโอกาสนะไม่เอากําไรมากไม่ช่วยโอกาสไม่โกหกมดเท็ดขยันหมั่นเพียรกระทำํำในพวกนี้เราค้าขายแล้วจะรวยเองจะมีลูกค้าเองค้าค้าขายอย่างนี้และถ้าเผื่อว่าทําได้นะเปิดรานแล้วติดราคาเลยเราจะเอากําไรส0ทุก อย่างต้นทุนเท่านี้เอากําไรเท่านี้ทุกยี่ห้อทุกอย่างเลยเราไม่คดโกงใครไม่เชื่อไปถามต้นทุนได้เลยคนก็จะขึ้นละ่ะเราไม่ขู่ไม่ช่วยโอกาสใครจะมายัางไงใครจะเดือดร้อนเมื่อมันจะขาดตลาดไม่ขาดตลาดเราไม่ช่วยโอกาสทั้งนั้นขายอย่างนี้ขี้ข้านคนจะมาเข้าร้านเราไม่ต้องต่อนี่ถ้าร้านเราซื้อสัตว์อย่างนี้คนซื้อไม่ต้องต่อเข้ามาจ่ายเงินได้เลยเพราะเราซื้อสัตว์อย่างนี้ขายไม่ต้องคดโกงนี่ แล้วเราจะขายได้จะเป็นพ่อค้าได้อาตมาเคยแนะลองทำดูสิไม่เชื่อที่ไหนก็ได้ขายอะไรก็ขายบอกราคานี้เอากําไรเท่านี้แหละใครจะทํำไม่เพราะงั้นการโกรหกหมดเท็จนี่จึงเป็นของเลวร้ายไ ม, ไม่ไม่ควรพูดไม่ควรทําทีนี้คําพูดพูดที่เลวกว่าพูดหยาบไอหยาบนี่มันก็เป็นทีทีบางคนถือสาบางคนพูดว่า ก, กินนี่ก็ว่ายาบต้องพูดคําว่ารับประทานถึงจะ ถึงจะไม่หยาบบางนันนะแล้วแต่การถือกันบางนันคําหยาบนี่ก็มันต้องมีเกี่ยวกับจิตใจด้วยเราไม่ได้เจตนาพูดหยาบเราพูดภาษาปากภาษาหมูภาษาเคยภาษาตามสังคมตามหมู่ตามชั้นก็พูดไปถ้าเรารู้ว่าหมูนี้ก็จะต้องใช้คําอย่างนี้สุภาพเราก็ใช้กับเขาหมูนี้ใช้คําอย่างนี้ได้ไม่ถือสา ก, กันถือว่าสุภาพบางทีสนิทสนมกันพูดกูพูดมึงก็ไม่เป็นไร่ไม่ถือว่าหยาบ แต่พวบาง ท, ที่บางแห่งไปพูดกูพูดมึงหยาบเราก็ไม่เอาอย่างนี้เป็นต้นต้องรู้จากที่อยู่รู้จักสถานที่นะเพราะคำพูดคําหยาบอะไรนี่ก็ให้พยายามพิจารณารหัสพูดให้มันถูกให้มันเหมาะควรโดยเฉพาะเราไม่พูดหยาบซะเลยคำหยาบหยาบเที่วมันเป็นกูเป็นมึงเป็นไอโนดไอหนีหนหน่คาําด่าคาอะไรแต่ไรเราไม่พูดซะเลยที่ไหนไหนเราก็ไม่พูดก็ไม่เป็นไรจะได้ไม่ติดปากจะได้ไม่เคยปากพูดส่อเสียดอันนี้ สอเสียดหมายความว่าไงส่อเสียดหมายความว่าเอาความขังนี้ไปพูดกับข้างโน้นเอาความข้างโน้นมาพูดกับข้างนี้บอมาถึงข้างนี้ก็บอกข้างโน้ไไ น, น, ใ น, ในไม่ดีพอไปข้างโน้นก็บอกข้างนี้ไม่ดีสองคนตีกันอย่างนี้เรียกว่าส่อเสียดหาเรื่องพูดให้เขาทะเลาะเบาะแวงการพูดให้เขาวิวาดกันให้เขาเกลียดกันชังกันไม่เอาพูดอย่างนั้นไม่เอาอย่างนั้นเรียกว่าพูดส่อเสียดไม่เป็นสุขสังคมไม่เป็นสุข เราไม่พูดส่อเสียดเอาความข่างนี้เอาความเอาความเลวของคนนี้มาพูดอย่างนี้มายุยแย่คนนี้หรือว่าเอาความเลวของคนนี้ไปพูดยุยแย่คนนี้หรือหาเรื่องปั่นเรื่องมายุแย่ให้เขาโกรธกันเคืองกันไม่เอานในเรียอว่าพูดส่อเสียดไม่เอาพูดเพ้อเจ้อพูดเพ้อเจ้อก็คือพูดไม่ได้เรื่องเดยเลาพูดเลอะเลอะเถอะเอะอพูดอะไรก็ไม่รู้เอิกอักสนุกสนานไปไม่ได้อัดได้รถอะไร ไม่ได้เป็นธรรมเป็นมรรคเป็นผลหรือว่าเป็นเรื่องที่จะทําให้เจริญอะไรมีแต่เป็นกิเลสใส่ตัวพูดไปแล้วมีแต่เรื่องราโมกมั่งเรื่องกิเลสตัณหามัองเรื่องอะไรแต่ อ, อะไรที่มันเลอะเทอะออกนอกเขตนอกเรื่องนอกราวนอกความจําเป็นอย่างนี้เรียกว่าพูดเพือเจอเราไม่พูดคัดระวังปากระวงังคอเพราะฉะนั้นแต่ ใ, ใครรู้ว่าตัวเองนี่มันรักงับไม่ได้มันพูดอะไรก็พูดเพิ่ไปพูดอะไรมากไปหยุดซะบ้าง พ่อตมาบมเพลนทำกันเนี่ยมีมีถ้ายังเข้าพรรษาหรือเข้าบางทีเนี่ยเรากำหนดกันให้มีวันวันอยู่วันหนึ่งในอาทิตย์หนึ่งอย่างี้ในวันอาทิตย์ในในวันนั้นแต่ก่อนเราเคยกำหนดวันพุธเราเรียกว่าวันพุธทางวันพุธเราไม่พูดกันเลยในวันพุธแต่เช้าจด ลุ้งเช้าอีกวันหนึ่งเลยไม่พูดกันทุกคนไม่พูดกันจะทํางานทําการอะไรต่กทําำปกติต่างคนต่างไม่ส่งเสียงไม่พูดกันเลยทั้งวันระงับพัดดูหัดให้ได้ไม่ให้ไม่ไม่ไม่ไม่เผยปากเลยไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ส่งเสียงวันทั้งวันเราทํากันเราฝึกหัดกันโดยเรามีเจตนาเจตนาว่าเราจะหัดระมัดระวังปากไม่งั้นมันไม่มีข้อไม่มีศีล ไอเรากำหนดอย่างนี้เรียกว่าศีนหรือเราเรียกว่าขอกำหนดกำหนดเพื่อที่จะสัมรวมหัดระวังไม่งั้นเรามันมันจะพูดเลาะพูดเถอะพูดอะไรแต่ไรเสียเสียให้หายด้วยมันไม่รู้จักหยุดกรรมฐานที่สำคัญของการปฏิบัติธรรมเนี่ยให้รู้จักหยุดและหยุดได้เรียกว่ารู้ความดับหรือนิโรธหรือวิมุติหรือวุฒฐานะภาษาบาลีมีเยอะ ให้มันหยุดให้ได้ให้มันสงบให้ได้ให้มันดำงับให้ได้ต้องหัดดำงับให้ได้เราจึงจะเป็นคนมีธรรมะเป็นคนเก่งถ้าเรียกว่ามีวสวรติมีความอยู่เหนือมีอำนาจเหนือสั่งจิตสั่งใจสั่งระ ง, งับคำพูดก็ระ ง, งับได้สั่งความคิดให้หยุดคิดก็หยุดได้สั่งให้หยุดทำก็หยุดได้เนี่ยมันเป็นความสามารถพิเศษเราก็จะหัดบ้าง เพราะงันมาอยู่ที่นี่ก็ให้ยหัดระวังอาตมาบอกแล้วเป็นกรรมฐานว่าให้หัดดูกายดูวจิจีดูคําพูดถ้าไม่สมควรพูดก็อย่าพูดจะสงบลงงับดูเราต่างคนต่างอยู่พูดกันแต่จาเป็นแต่น้อยลองดูหมู่ชนที่มีความสงบลงงับไม่เอืออะมไม่เถิงไม่เจี่ยวเจ้าอย่างนี้พระพุทธเจ้าสรรเสริญพระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญ น, นักหาได้ยากในหมู่ชนที่สงบเสียง ยิงอยู่กันมากๆคนยิ่งเจ้าเลยต่างคนต่างข่าจะพูดเองจะพูดพูดกันใหญ่ไม่รู้เรื่องอะไรแต่อะไรไม่สงบหาได้มากหาได้เยอะแต่มูใหญ่ๆแล้วไม่ค่อยพูดเสียงสงบพูดกันไปกิจจะลักษณะแบ่งกันพูดเรื่องว่าถ่ายทีถอยอาศัยเอาทีนั้นคนนั้นพูดคนนี้ก็หยุดคนนั้นหยุดคนนี้ก็พูดไม่ยอมข่าก็พูดเองก็พูดไม่มีใครฟังไม่รู้ใครจะฟังว่ากันขลมเลยหนวกหู อย่างนั้นไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวต้องมีกิจกรรลักษณะและการลู้เวลาหยุดเวลาพักนะอย่างนี้ดีให้หัดระมัดระวังถึงเสียงอย่างนี้สี่ข้อนี้มีไปไกลนะถ้าหัดฝึกมันก็จะได้บริสุทธิ์เป็นวจีสุจริตในสี่ข้อที่ 4. สีี่ข้อที่หสุราเมรยะมัชประมาทฐานา ศีลข้อที่5เนี่ยถึงใจท่านนี้เกี่ยวกับจิตใจมันไม่ใช่ศีลหยาบๆนะศีลข้อที่ห้าศีลข้อที่ 1.. ข้อที่ 2.. ข้อที่ 3.. เน่ยเป็นกายศีลข้อที่4เป็นวัจจีอ่าเป็นคำพูดศีลข้อที่5เนี่ยเกี่ยวกับใจใจของเรามันเสพติดมันถูกมัวมอมเ ม, มาแล้วมันก็ไปเมาไม่ เมามากเพราะฉะนั้นบางทีก็ไปเมาอยู่ในอบายมุกนี่ก็เรียกว่าเมานี่หยาบมากเราเรียกภาษาบาลีว่าสุราสุรานี่แปลว่าหยาบแปลว่ากล้าแปลว่าแรงสุระสุราเนี่ยไม่ใช่ว่าแปลว่าน้ำเหล้านะภาษาบาลีคำว่าสุรานี่ไม่ได้แปลว่าน้ำเหล้าแต่มาแปลกันว่าน้ำเหล้าน้ำเหล้าก็เป็นสุราด้วย มันก็แรงเหมือนกันเป็นสิ่งที่กินเข้าไปแล้วก็เมาไม้แรงเหมือนกันน้ำเหล้าก็เป็นสุราอบายมุกต่างๆก็เป็นสุราสิ่งเสพติดต่างๆที่ต่ําช้าที่เลวซามที่หยาบกล้าเราเรียกว่าสุราทั้งนั้นไปเสพติดมันไปติดการพานันเนี่ยสุราไปติดไผ่ติดโปติดหวยติดอะไรต่างๆไปติดมหอประสบการณ์ละเล่นนั่นแหละ สุราไปติดกินฟินสูฟินสูเพโรอินสุราไม่ใช่ว่ากินแต่น้ําเหล้าอย่างเดียวนะแปลกันว่าแต่ว่าไม่กินเหล้าไม่กินเหล้าแต่สูฟินได้เหมือนกนนะไม่ใช่นะสูฟินสูเพโรอินได้เหมือนกนนะไม่ได้ไม่ใช่นะฟินเฮโรอินนี่ก็สุราสุราฟังให้ดีเคยฟังมาง่ายๆตื่นๆยาวๆวันนี้ฟังให้ละเอียดละเอียดนะ น้ำเหล้าน้ำขาวน้ำเบียร์นะพวกนี้กระแช่อ่าหรือว่าน้ำตาลเมาอะไรพวกนี้ก็กินไปแล้วมันเมาได้มันแรงมันจัดมันทําให้เราเสียสติมากสุราทั้งนั้นเรียวสุร า, าของที่ทําให้เราไปเสพติดไปมึนเมาพวกนี้กินข้าสูบข้าดื่มเข้าอะไรก็ตามแต่บางทีเอามาฉีดแม้แต่มอร์ฟีนยาฉีดนี่นะยาฉีดที่ทําให้เมาทําให้ สบายทำให้ติดเป็นยาเสพติดชนิดตึงระพุงออฟฟินพวกอะไรเนี่ยยาฉีดมีอะไรมั่งไม่รู้ไอ้ที่เขาฉีดเนี่ยของตัวอย่างที่เมืองนอกมันทํามาเยอะฉีดเข้าไปพวกนี้ก็สุราไม่ต้องดูดไม่ต้องดื่มไม่ต้องกินน่ะทาผิวหนังฉีดเอานี่ก็ได้สุราเหมือนกันอ่ฟังดีๆนะสุราต้องเข้าใจให้กว้างๆไม่ได้หมายความว่าแต่น้ําเล่าอย่างเดียวไม่ใช่ คนไทยเราเอาคําว่าสุราเนี่ยมาตั้งชื่อน้ําเหล้าอย่างหนึ่งเท่านั้นเองอ่ามันแคบมันตื้นแต่แท้จริงคาว่าสุราเนี่มายคำว่าสิ่งเสพติดมอมเมาที่หยาบกร้านที่เลวต่ํา ม, มากแล้วสุราทีนี้เมระยะนี่ก็ปแปลว่าสิ่งที่มัวเมามอมเมาเหมือนกันสิ่งเสพติดที่ละเอียดขึ้นไปอีกลเอียดขึ้นไปไอีกอันั้นหยาบกร้านตอนนี้ลึกซึ้งขึ้นไป อ, อีกมอมเมาขึ้นไปอีก เราไปเมาไมา้ด้วยลาบยศเมาลาบนี่ก็มีระยะมยเ ม, ยะมายศก็มีระยะเมาสรนเริญก็มีระยะเมาได้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส ต, ต่างๆเมระยะทั้งนั้นเมรยาะนะ่ยนี่เมาไปเสพติดติดเสื้อผ้าสวยงามติดเสียงเพลงติดอาหารรสอร่อยน่ะไปเสพไปติดมันอ่า เสพติดมอมเมาไปเมาลาบเมายศอย่างที่ว่านี่แหละนี่เมรัยะเมานะมันเมาที่จิตใจเราจิตใจของเราไปติดมันแยกออกไม่ได้นี่เรามาฝึกขาดนี่แม้แต่เรามาเลิกสูบบุหรี่บางงดกินหมากบางเนี่ยเราก็ปฏิบัติศีลข้อนี้เราปฏิบัติศีลข้อนี้ลดลงมันสิ่งเสพติดพวกนี้เรานี่ยเราหยุดดูดยาหยุดกินหมากบ้างกําหนดลงให้น้อยลงแม้แต่อาหารเนี่ยกินไม่อร่อย ติดอาหารอร่อยเราก็ลดลงพวกนี้เป็นสิ่งที่ชักจูงอยู่ในนีเ้เสร็จนี่เราปฏิบัติสติปัญญาปฏิบัติธรรมเราจะได้พารวะปัจจัยได้อั น, นิสงษ์ท่านเรียกว่าปฏิเสวนาเป็นการเสพคุณหรือเป็นการกระทำความเคยอธิวัสนาฝืนหน่อยปริวัชนาแล้วมันก็จะค่อยๆ่อยหลุดได้หลุดได้เป็นเปราะเป็นปเ ป, นปราะเป็นรอบเป็นรอบ วิโนธนาจะได้บรรเทาลงบรรเทาลงสุดท้ายก็ถึงขั้นภาวนาเป็นการบรรลุภาวนานี่แปลว่าบรรลุนะภาวนาไม่ได้แปลว่าเริ่มต้นนะท่องบนนี่ไม่ได้แปลว่าแผ่วภาวนานะภาวนาหมายความว่าเกิดผลเป็นที่สุดคําว่าภาวนาเดี๋ยวนี้มาอธิบายภาวนาว่ามาเริ่มต้นตั้งอะไรเป็นภาวนาเริ่มต้นแล้วดังนั้นผิดอธิบายหัวเป็นปลายอธิบายปลายเป็นหัวหมดเดี๋ยวนี้ คำว่าภาวนาในหมายคำว่าที่สุดการปฏิบัติให้พ้นกิเลสทันเลวกับปฏิบัติสัพพาสวะมันมีการปฏิบัติโดยทัศนาสังวราปฏิเสวนาอธิวาสนาปริวัชนาวิโนทนาภาวนาเป็นที่สุดจบ น, นี่หมดเรียวว่าสัพพาสวหมดอาสวะทัศนาหมายคำว่ามารับรู้เข้าใจนี่กาลังพูดกันเนี่ยเราเกิดทัศนาเกิดยานทัศนะ เกิดการรู้เกิดการเข้าใจซะก่อนพอเกิดการเข้าใจแล้วก็มาสังวรสังวรามาสังวรมาหัดสังวรระวังนี่อย่างที่บอกไปเป็นกรรมฐานให้ระวังนะให้หัดนะมีกฎมีศีลมีข้อเข่าที่นี้ระวังให้ดีอย่าให้ละเมิดจะให้ศีลด่างศีลพร้อยอย่าให้กดหรืออย่าให้หลักอย่าให้กรรมฐานที่ให้กันไปเนี่ยอย่าให้มันด่างพร้อยทําให้มันสํารวมอยู่ให้มันเป็นไปอยู่ดีอย่าให้ละเมิดเรียกว่าสังวรารทำบ่อยบ่อยเรียกว่าปฏิเสวนา ให้มันคุ้นให้มันเคยให้มันชินให้มันชํานาญให้มันได้เรื่อยเรื่ยเลยว่าเสวนาปฏิเสวนาอ่าในอธิบายซ้อนให้ฟังอธิวาสนามันจะทําให้เรามีวาสนาสูงขึ้นฝืนหน่อยท่านแปลเอาความโดยอัดว่าแปลว่าฝืนทนต้องฝืนต้องทนหน่อยเราปฏิบัติธรรมต้องเอาจริงนะอาตมาขอรับรองว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าไม่เอาจริงแล้วไม่มีการบรรลุ ถาจมาจับเคล็ดได้ตัวเองปฏิบัติรำมาเนี่ยจับเคล็ดได้ตัวเดียวสําคัญมากต้องเอาจริงเอาจริงนะถ้าไม่เอาจริงแล้วไม่ไม่ไม่ ไ, มได้ผลอ่ะมันไม่จะของง่ายง่ายไม่จะของกล้วยๆนะอ่าต้องเอาจริงเพราะฉะนั้นก็ต้องฟื้นต้องกดต้องค่มมีอธิวาสนาแล้วมันจะถึงจะค่อยๆหลุดเป็นช่องเป็นเปราะเป็นรอบไปแล้วก็ถึงบรรเทาอย่างที่ว่าปริวัชนาวิโนทนาไมาเข้า่าบรรเทาลงไปได้ ฝืนก็ลดลงทําได้ง่ายขึ้นสบายขึ้นสุดท้ายก็สําเร็จไม่ต้องฝืนไม่ต้องทนหลุดพ้นเป็นภาวนาจบเป็นภาวนาเลยนะเรื่องของเมรยะเป็นความเมาชั้นละเอียดมาดังกล่าวแล้วชั้นสูงขึ้นมาอีกซึ่งหมายถึงเราเมายกตัวอย่างง่ายๆเมาลาบเมายศเมาสิ่งที่กระทบทางตาเมารูปเมาเสียงเมากลิ่นเมาสัมผัส เามารถเมาสัมผัสนอกหรือแม้แต่เมาสัมผัสในหยับหยบเราก็ต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าเราเมาอะไรอารมณ์ทางใจหยาบหาบคล้ายๆยังที่รู้ได้ไง่ายๆก็ให้รู้ว่าเราไปเมามันติดมันเสบติดมันอยากได้อารมณ์อย่างนี้อย่างนี้อ่าเราก็เลิกมาละมาอ่าทีนี้ลองยกตัวอย่างดูบ้างถ้าเผื่อว่าอธิบายไปเฉยๆไม่ยกตัวอย่างก็จะเข้าใจยากว่าเราเมา รูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสหรือว่าเมาลากเมายศนี่ยังไงแต่เมาลาบเมายศของเข้าใจง่ายหรอกพวกเรานี่ไม่ค่อยได้เมายศเท่าไหร่แต่เมาเกันนะถือตัวถือตนนี่เมายศนะถือตัวถือตนชอบเบงใหญ่ใช้อำนาจใครมาดูถูกก็ไม่ยอมสักสีอะไรเงี้ยนี่เมานะเมาใหญ่เมายศเมาความเป็นใหญ่อยากเป็นใหญ่ แต่ว่ายอดจริงๆนะทางโลกเขามียอดชั้นชั้นตรีชั้ น, น, นโทชั้นเอกแล้วก็แบ่งทับกันพวกนั้นเนะมายอดจริงๆเห็นชัดๆพวกเรานี่แม่ไม่มียอดกับแบ่งกันอยู่คนนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านคนนี้เป็นพี่เบ่งทับน้องคนนี้เป็นพ่อเป็นแม่บางทีผิดๆก็ยังไปเบ่งทับลูกกฎขีก่กําแพลงลูกเราผิดไม่ยอมรับผิดอย่างนี้ใช้ไม่ได้เราไม่รู้สัจธรรมสัจธรรมต้องรู้ผิดก็ว่าผิดอยอมแพ้ถ้าผิดทูกเอาถูก เราไม่ใช่พระพุทธเจ้าเราก็มีผิดบางและไม่ต้องไปกลัวหรอกอย่าไปเสียเหลี่ยมเราต้องยอมรับความจริงที่จะเป็นคนแท้เป็นคนจริงถ้าไปมัวแต่บิดบิดพิ้วพิวอยู่ผิดก็ไม่ยอมรับผิดมันก็ไม่ดีที่เราก็ไม่ได้แก่ตัวแล้วเด็กก็เข้าใจผิดด้วยคนอื่นเข้าใจผิดด้วยเพราะเราไปยืนยันมาไอ้นี่ผิดแต่เราไว้ว่าเรายืนยันว่าเราถูกไอ้คนอื่นเขาก็สงสัยเอ๊ะมันถูกแล้วแล้วก็เร า, เาผิดมันก็เบี้ยวสัจธรรม เข้าใจสัจธรรมผิดไปนะต้องพยายามรู้อ่ะทีนี้เมาลาบเดาได้ลาบได้ของตอบแทนลาบไมา้ข้าวมาของตอบแทนของที่ได้มาเราทําไร่ทานาะทํางานทําการทําอะไรตัวไรแล้วเสร็จเราก็จะได้เข้าได้ของทำํำนาก็ได้ข่าวทําไร่ก็ได้ของที่ปลูกได้มาแล้วถ้าขยันมากทํำได้ดีมีความสามารถมากมันก็จะได้มาก เมื่อได้มากและก็เป็นของของเราโดยสิทธิิ์เป็นผลได้นั่นเรียกว่าลาบเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินก็ได้ไม่แลกเปลี่ยนเป็นเงินจะเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นของเอาข้าวไปแลกผ้าเอาข้าวไปแลกทองเอาข้าวไปแลกอื่นๆเครื่องใช้อื่นๆอะไรอย่างนี้ก็ได้เราปลูกผักเอาผักไปแลกยาเป็นแลกของแลกข้าวแลกอะไรต่อะไรต่างๆนานาได้เนี่ยและเรียกว่าแลกเปลี่ยน ไอ้ที่ได้พ้นที่ได้มานั่นแหละเรียกวันลาบเรามีข้าวบางทีเราไม่ดีใจเอาไปขายเป็นเงินจะดีใจกว่าที่จริงมันก็เหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าเปลี่ยนข้าวมาซะมาว่าเป็นเงินเป็นของเป็นข้าวเก็บไปแล้วก็ เ, เอาให้ข้าวให้าคนอื่นไปกินเพราะเงินมันกินไม่ได้บางคนมีเงินต้องเอาเงินมาแลกข้าวมาซื้อข้าวไปกินมันกินแบ้งไม่ได้หรอกแบ้งต้มกินไม่ได้มีเงินมากๆก็ไม่ไม่มันมันก็อยู่ไม่รอด แต่คนเราเดี๋ยวนี้เห็นเงิ น, นตาโตใครมีอะไรก็อยากรีบขายขายยิงให้มามากๆยิงเอาหัดคาดทุนเธอะเราเรียกว่าเสียสละกคนเสียสลันี่แหละคือคนไม่โลภคนจะเอาเปรียบเขานั่นแหะคือคนคีโลฟันโดยดีเนนะมันขัดมันมันกับกันอยู่เพราะงั้คนที่ให้กลา้าให้เขาได้มากๆนี่คือคนเสียสละเป็นบุญ ถ้าคนจะไปเอาแต่ขอ ง, ของเขาเอาเปรียบเขาเรื่อยมาะจะได้มากๆของเราน้อยๆแต่จะเป็นแหลกของคนอื่นมากๆอยเงี้ยแล้วดีใจยังไม่ถูกอ่ะยังไกี่โกงแล้วท่านเรียกว่ามักมากเรียกว่ามักมากมห า, มหาปิดฉะภาษาบาลีเร็วมหาบิดฉะไม่เอาพระพุทธเจ้าไม่สอนให้ทามหาบิดฉะท่านให้ทาอับบิดฉะมักน้อย แต่ไม่ได้หมายเขาว่าทำงานน้อยนะมากน้อยนี่ทําเข้าไปเดี๋ยวทำมากมากก็ได้แล้วมันได้มากๆแล้วเราก็เอาไปแลกนี่เราก็เอาน้อยๆแลกมานน้อยอย่างนี้เรียว่ามากน้อยทํามากไม่เป็นไรทํากับมากไม่เหมือนกันนะมากในหมายคําว่าชอบได้มากๆไม่ต้องชอบหรอกมีมากๆก็ดีก็รู้เราแบบไม่มีมากๆแล้วก็แจกจ่ายกันมันก็จะถึงไม้ถึงมือกันไม่ขาดไม่แคลนมัอยากไม่จนมันก็อยู่เย็นเป็นสุขกัน หัดพยายามาให้รู้ว่าเราเองทำขยันหมั่นเพียรแล้วเราได้มากๆกกอ็จะเป็นหลงหลงในสิ่งที่ได้เรียกว่าไม่เมาลาบเามายศก็ผ่านไปเมาสันเสริญทีนี้เมาสันเสริญเขามายกยออะไรเราก็หลงใหญ่หลงโตแม่เราใหญ่เราดังเราเข้ามาบูชาเข้ามานับถือ แล้วก็เบงทับเค้าอย่างนี้ไม่เอานั่นมันจะอธิบา ย, ยมักใหญ่มักโตนี่จะอธิบายในสี่ข้อที่9ก้าต่อข้อที่แปดไม่ใช่เกข้อที่8ต่อไปนั่นก็เอาเอาเก็บไว้ก่อนก็ได้เอา น, นี้เอาไว้ก่อนนะที่พูดถึง ม, มันเมาแรืวว่ามันเสพติดในเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสพวกนี้เราต้องรู้จักแล้วก็รู้เท่าทันมันรู้เท่าทันไปตั้งแต่รูปอะไรมันสวยมันงาม เด็กๆ น, นี่ผู้หญิงเนี่ยเด็กผู้หญิงเนี่ส่วนมากก็แต่งตัวตามกันโลกมันหลอกกันไปซื้อสีมาทาหน้าทาแก้มทาปากทาคอเอาแป้งมาพอกไปไม่ต้องพอกลอกล้างน้ำสะอาดๆก็ได้พอแล้วทาไย่างั้นผู้ชายก็ตายที่ผู้ชายเขาไม่ทาแป้งทําไมล่ะเขายังอยู่ได้ผู้หญิงก็ไม่ต้องทาแป้งก็ได้จะเป็นไรหรอกเราทํางานทําการเก่ง มีใจมเมตตากรุณาเกื้อกูลเอื้อเฟือ้อเป็นคนดีรู้จักหน้าที่รู้จักการงานสมมาคาราวะสุภาพอ่อนน้อมอย่างนี้ดีก่าไปซื้อแป้งมาทาเดี๋ยวนี้เลยว่างามในสวยข้างในสวยด ก, กิริยามารยาทเป็นเบญจ ก, กัลยาณีอย่างนี้ดีไม่ต้องไปงามนอกงามเอาแปง้งมาทาเอาสีมาทาเอาเสือ้อสวยมาหุ่มไว้ไม่มันงามเปลือก เสียสตังค์ด้วยอย่าไปเสียสตังค์นะอย่าถูกหลอกนะเขาหลอกเอามาขายอเลยนี้แล้วไปติดกันเยอะแต่พวกเรานี่ไม่เท่าไรหรหอกในบรร น, นอกในไม่เหมือนในกรุงแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมียังมีนี่บางคนมาวัดนี่ยยังทาแป้งทาปากมาก็มีนะทำไมจะทาแป้งทาปากมาล่อพระเลย อ, อย่าทามานะไม่ต้องทาแป้งทาปากมานะบอกกันผู้ใหญ่ก็บอกลูกบอกหล้านอย่าไปหัดทาหัดทําเลย หัดขยันเขา่าหัดทําจิตใจให้ดีมีใจเมตตากรุณามีความเข้าใจมีปัญญานะยางงั้นนะดีกว่าดีกว่าไปเอาพวกนี้มาผอกมาทานะสังคมมันหลอกเราคนมันทําตัวอย่างไม่เคยดีแล้วเราก็ไปตามตามเขาเราจะต้องรู้ความจริงรู้ความดีที่แท้จริงอย่าไปเอาความดีขี้เกยอย่างงั้นมาใช้นะนี่รูปสวยเสียงเดี๋ยวนี้เสียงธรรมดาในพูดบาคทีพูดเสียงดัง บางทีพูดเสียงเบาบางทีพูดเสียงค่อยแล้วแต่เวลาเน้นเราก็พูดนักหนักหน่อยพูดเน้นๆอย่างนี้เพื่อให้เรารู้อ่าเราเรียกว่าพูดโดยมีจังหวะจากโคดอ่าพูดดังก็ได้เวลาคนมากๆก็พูดดังหน่อยเวลาคนน้อยๆก็ไม่ต้องพูดดังนักนี่เรียกว่าพูดรู้จักเสียงรู้จักสำเนียงรู้จักภาษาภาษาที่พูดก็ให้รู้ภาษาควรพูดในเวลาไหนยังไงจะพูดเรื่องอะไรพูดอะไรให้เหมาะสม ไม่จะพูดให้มันเป็นกลอนเป็นเพลงเป็นอะไรติดคนฟังแล้วโอ้คนนี้พูดอร่อยเหลือเกินพูดเป็นกลอนเป็นเพลงพูดแล้วอร่อยอย่างนี้เสียนะไม่ติดเสียงแล้วก็ไม่ติดเสียงอย่างนี้มันเป็นเสียงเพลงเสียงการนี้มันหลอกกันใหญ่แล้วเพลงไม่ต้องครัไม่ต้องไปเสียงเพลงพูดธรรมดาจะเสียงอ่อนเสียงแรงเสียงหนักเสียงเบาก็ให้รู้ว่านี่เขาใช้เป็นประโยชน์ประกอบอย่างนี้ใช้ประกอบอย่างนี้ ไม่ใช่อยู่ดีๆก็เอาแต่เพลงมาเอาแต่เสียงร้องมาประกอบบอช่ยชี้ชวนเราน้องน่อยน้องน่อยน้องน้อยอยู่แล้วก็ไปติดน้องน้อยน้องน่อยไม่เอ้าเสียเวลาอย่าไปติดมากๆเขาก็ไม่มีอะไรแล้วทํางานก็ไม่ได้ทําหูก็ฟังอยู่แต่ไอ้เพลงนี่นะบางทีทํางานไปทํางานไ ป, ไปผิดอ้าวเพลงมันลากไปทํางานผิดเลอะเทอไปหมดไม่เอ้าเดี๋ยว น, นี้เสียมากนะที่พวกนี้เราไปติดไปเสพไปติดไปถูกหมอมเมาแม้แต่กลิ่น กลิ่นหอมกลิ่นเหม็นอะไรก็ตามแต่เข้ามายั่วยวนเข้ามาเอาอย่างนี้ดีนะแต่ตกทานน้าอบน้ําหอมอนี้ไหมเอา้าไม่ต้องหอรอกนะรสทางลิ้นกับไปติดตกกินรถอย่างนั้นต้องใช้รถอย่างนี้แตะลิ้นแตะปากไม่เอาสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งต่างๆพวกนี้ต้องหัดระบหัดระวังหมดเป็นสิ่งเสพติดเป็นสิ่งที่มันเข้ามามอมเมาเราแล้วเราก็เมามาอยากจะได้อย่างนั้นอยางเป็นอย่างที่เราไปติดมันนั่นนะ่ะนี่มีระยะ แปลว่าเมาเหมือนกันมัชชะตอนนี้อีกอันหนึ่งสุราเมระยะมัชชะมัชชะก็แปลว่าเมาอีกแหละเมาอย่างละเอียดสุราเมาอย่างหยาบเมระยะเมาอย่างกลางมัชชะเมาอีกเมาอย่างละเอียดเขาแปลไว้ในวาลีนี่แปลไม่เคยได้เรื่องแปลว่าน้ำเมาน้ำเมาหมดมัชชะกัน้ำเมาเมระยะกับน้ำเมาสุรากับน้ำเมาพูดมันทำไมมันซ้ำแซดน้ำเมาน้ำเมาน้ำเมาหมดพระพุทธเจ้าทำไมพูดให้มันไม่ได้เรื่องหรอก ทำบาลีเนี่ยมันมีความหมายสูงแต่คนไม่เข้าใจก็แปลกันง่ายๆตื่นๆแล้วก็เลไม่ค่อยได้อัดได้รถมากมายนี่ก็ขอแปลสู่ฟังยาวๆหน่อยอรรมชาติใหมายความว่าการเสพติดสิ่งที่สูงละเอียดลึกถึงขั้นจิตเมาจิตฟังอย่างนี้ก็ทักจะยุ่งเสพติดจิตมันถือจิตมันอยากได้เสพติด ทางจิตมันเป็นเรื่องของการเกิดอยู่ที่จิตแล้วเรียกว่าผวังหรือเรียกว่าพบในจิตพวกนี้ลึกนะเสพติดในเรื่องจิตถึงเราไปทําจิตเข้าบางทีไปนั่งหลับตาแล้วก็ไปติดโต้นี่มีแสงสว่างเป็นอะไรเป็นพบในจิตมันไม่มีเราข้างนอกไม่เกี่ยวแล้วเนี่ยไม่เกี่ยวกับลุกระลั้วกลิ่นเสียงข้างนอกแล้วไม่เกี่ยวก็ไอ้หลึงหลาบเรื่องยศไม่เกี่ยวแล้วไอ้เรื่องอย่บบางยาใบมุกอย่างยาบยาบยิงไม่แล้วแต่ติดในจิตเป็นการเมาเสพติด ว่างไม่ได้ว่างก็เป็นนั่งหลับตาบางทีก็เสียความสงบแหมอร่อยดีนั่งคือหลับนั่นเองที่น้มิทธะนี่เสพติดหลับหลับนอนนี่ไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับไอ้รูปรถอะไรต่างๆข้า ง, งนอกไปติดหลับติดนอนบางทีนอนเอาแต่นอนนี่ก็เสพติดเรว่ามัชชะเมาในสิ่งละเอียดนะเมาในภพในชาติในไปกําหนดเอาไว้ว่าเราจะต้องนั่งหลับตาเข้าไปแล้วก็ไปเห็นแสงเห็นสีไปเห็น สวรรค์ไปเห็นนรกไปเห็นอะไรแต่เรานิ่เสพติดเหมือนกันไปเล่นกันเลอะเลอะเทอะนะปั้นรูปขึ้นมาท้าเรียกว่ามโนมยอัตตาไปนั่งหลับตาเข้าเราก็ไปบกวกรู้เนี่ยสวรรค์เห็ น, วนสวรรค์สวรรค์ของฝรั่งก็อย่างหนึ่งสวรรค์ของไทยก็อย่างหนึ่งแล้วแต่จะหลอกกันไว้ผีของฝรั่งก็อย่างหนึ่งผีของไทยก็อย่างหนึ่งผีของฝรั่งมะลุกโป่งเป็นรูกมะลุกโป่งลอยบูบูบูบูบูเขาเรียกตัวบุบู ผีกองฝรั่งผีกองไทยก็ไม่รู้เป็นแหกปากแหกคอลิ้นยาวคอยาวตัวอะไรแล้วแต่หลอกกันมันไม่มีเราไปปั้นเอาเองเรียกว่าพบในจิตสร้างขึ้นนั่งหลับตาข่าแล้วก็มานั่งไปเจอะผีเจอะสางเจอะยะเจอเจอยะเจอเยอะยักษ์เจอมานอะไรขึ้นมาที่หลอกกันไว้เคยได้ยินมาแล้วก็ไปเกิดอยู่ในในี้ได้ยินมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเมื่อไร่ก็ไม่รู้นะละแล้วก็ไป นั่งหลับตาเข้าพอจิตมันเนี่ยนะก็ตุกประธานมันก็ปั่นขึ้นมาแล้วก็นึกว่ามันเป็นของจริงบางคนตกอกตกใจจิตเสียเขาเรียก ว, ว่าทําแตกมันนั่งหลับตากันแล้วเล่นแบบนี้ยมีเยอะเยอะพวกเราไม่ได้สอนอย่างงั้นนะอย่าไปกลัวบางคนจะไม่กล้ามาเนี่ยกลัวจะมาแบบเนี่ยมานั่งทำมาว่ามาทำกรรมฐานแล้มานั่งหลับหนูหลับตาทําอย่างนี้เราบอกทําแตกแล้วประเดี๋ยวจิตเสียมันเสียมาเยอะจริงๆเหมือนกันเพราะหลอกกันนะ่ะหลอกกัน พวนี้ไปเสพติดบางคนก็สนุกไปในทางพปั่นรูปเป็นสวรรค์บางคนบอกไปเที่ยวนรกเหมือนกันนะแล้วก็ปั่นเป็นรูปนรกต่างๆนานาไปโน่นมานี่เดินเห็นโน่นเห็นนีอนนนอน่อะไรหรือไม่ก็ไปติดเอาจิตนั่งหลับเข้าไปก็นั่งเข้าไปแล้วก็ไปเห็นไปทําไม่นอนไปสร้างเห็นเบอร์เห็นเลขเห็นหวยน่ะไปอะไร น, น, นี้นึกว่าเก่งไปอย่างงดนี่เป็นเรียกว่าเสพติดเหมือนกันมัวเมาหรือแม้ที่สุด ตัวของเราเองนี่มีความเก่งมีปัญญาจิตหรือปัญญาเนี่เก่งเรามีความรู้ความรู้นี่กว่าจิตนะความรู้หรือปัญญาแล้วเราก็เมาในปัญญาของตัวเองเมาความรู้ตัวเองถือตัวถือตนเรียกว่ามานะทิฏฐิเรียกว่ามานะถือตัวเองว่าตัวเองมีความรู้แม้จะมีความรู้จริงก็ไม่ควรจะมีกิเลสอันนี้ไม่ควรจะเมาความรู้ของตนควรจะฟังคนอื่นบ้าง ฟังคนอื่นบ้างอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นเรื่องลึกนะเป็นเรื่องลึกแม้ที่สุดติดละเอียดไปย่อก็ทั้งติดจิตวิมุตติติดจิตนิพพานติดไปได้เมาวิมุตตาเมานิพพานก็เป็นได้ซึ่งไม่เข้าถึอไม่เข้าทายังจะต้องเรียนรู้กันละเอียดละ อ, อไปลึกซึ่งนนี่ก็เป็นความเมาตลอดไปทานะแห่งความมัวเมาแล้ว่าประมาทฐานาทานะแห่งความมัวเมาความประมาทพวกนี้ แม้ที่สุดเราเป็นของหยาบๆกรางๆเอาใบยำมุกเราก็ประมาทช่างมันไม่เป็นไรแล้วเราอยู่เหนือมันได้อะไรเหล่ายาไม่เป็นไรกินเราเรารู้กินสิเราทําไมจะต้องไปกินไม่รู้ล่ะมันก็ประมาทอย่างเงี้ยฐานาในความประมาททุกอย่างแม้แต่อาหารการกินรูปรดเป็นเสียงสยัมผัสลาบยศกับมูเมามันต่างนนๆนานาจะทําให้เราเลวได้ต้องพยายามละเว้นหัดลดถัดละออกมาจริงๆฝึกหัดเข้ามาจริงๆแล้วเราจะเจริญ น, นี่สิ่งก็ที่ห้า เป็นเรื่องของการเสพติดเป็นเรื่องของการมัวเมาหรือเมาเรียกว่าเมาเนี่ยเมาตั้งแต่หยาบหยาบไปตั้งแต่สุระสุระเมระยะละเอียดขึ้นมามัชชะละเอียดขึ้นไปอีกอย่าทําตนให้เป็นผู้ที่มีฐานะแห่งความประมาทประมาทในเรื่องที่ไม่น่าประมาทแล้วเราเองจะเสพจะติดมันเข้าไปอย่าไปหัดเสพหัดติดต้องละออกมาเว้นออกมาจึงจะเรียกว่าเวรมนีอศี ห, าห้าข้อนี่เป็นศีลหลัก เป็นศีลใหญ่ครบทั้งกายทั้งวจีทั้งมโนโลแล้วศีลใหญ่ศีลห้าข้อเนี่ยธรรมารเคยอธิบายศีลข้อหนึ่งข้อสองถึงนิพพานทั้งนั้นน่ะอธิบายถึงนิพพานได้นะธรรมารเคยเขียนเป็นหนังสือไว้ก็มีคั่นออกมาจากศีลแล้วอธิบายอย่างหยับหาบอธิบายอย่างไม่ไม่ละเอียดนักก็มีอน ะ, ะวันนี้มาเจอกันจริงๆริ ง, รงอธิบายเป็นภาษาต่อภาษาเลยฟังกันเลยโ้โหเลยอทีนี้ก็ศีลข้อต่อไป สีข้อต่อไปก็เป็นสี่งขยายขยายออกไปจากห้าข้อใหญ่ๆหลักๆนี่แหละสีข้อที่หวิกาละโภชนาะวิกาละโภชนะก็มันก็ขยายออกมากำหนดลงไปให้ระมัดระวังของกินของใช้โภชนาเนี่ยหมายความว่าเครื่องอุปโภคบริโภคของกินกับของใช้คนเรามันไปหลงมัวเมาของกินของใช้นี่ เอาต้นๆหยาบหยาบซะก่อนเข้าหมายเอาของกินวิการโภชนาเพราะฉะนั้นคนเรามันเมาของกินหรือว่ามันติดของกินกันมากนะักกินมากเกินไปแล้วก็มากําหนดวิการโภชนาก็กําหนดเวลาลงไปบ้างวิการะหมายว่าเอาตามกาละเอาตามเวลาด้วยหรือเอาตามครั้งเอาตามมือด้วยให้รู้กาละจริงให้รู้กาละนะให้รู้ครั้งรู้มืดรู้ยาม กำหนดการกินลงมา2มื้อบ้างก็เป็นการและแต่กําหนดกันซ่อน ล, ลงไปกําหนดลงมามื้อหนึ่งบ้างอย่างเราเนี่ยพยายามกําหนดกินมื้อนึ่งมื้อหนึ่งครั้งเดียวนะการกินนี่เพื่อที่จะให้ร่างกายเนี่ยมันอยู่ได้กินพอเลี้ยงร่างกายเอาไปไว้ในกระเพาะแล้วเสร็จมันก็ทํางานมันก็เลี้ยงเหมือนกับเราเติมน้ํามันรถยนต์ให้มันวิ่งได้ตลอดวันนะฮะเหมือนอย่างนั้นอนะแล้วให้มันเดินเครื่องไปได้ถึงพรุ่งนี้กินอีกใหม่ พั ก, กินหนอนเดียวก็ได้พระพุทธเจ้าสอนว่าพิกษุนทั้งหลายจงกินแต่ที่นั่งแห่งเดียวเถิดลุกจากที่นั่งแล้วจะกินเล่นพราะพวกเรานี่ยทั้งไม่พยายามให้เล่น ม, มีน้านําปลาหนะาปีกปลาเล่นก็ายกินเล่นกินหัวเลยไม่เอาพังอบรมทำพวกเรานี่อบรมเข็งคัดนะพวกเรานี่อบรมกันเข็งคัดอบรมสติปัฏฐานของเราเนี้ไม่ให้กินเล่นกินหัวไม่อนุโลมอะ่ะแม้แต่กินมากกินพลูนี่เรายังกาหนดกันเลยลเราแข็งคัดขึ้นนะ เราทำเคร่งต้องหัดระวังไปกินเล่นกินหัวพระพุทธเจ้าจะบอกว่าการกินเนี่ยไม่ใช่กินเพื่อเล่นไม่ใช่กินเพื่อมัวเมาไม่ได้กินเพื่อประดับตกแต่งไม่เอากินอย่างนั้นเสียหายเรากินเพื่อยังขันยังรูปยังร่างกายไปเพื่อจะให้มันปฏิบัติได้ดีปฏิบัติธรรมะปฏิบัติความสูงความเจริญอย่างงั้นเรากินเพื่ออย่างงั้นกินเล่นก็กินจุกกินเจ็บกินอ กินจับจับแฉกน่นไม่เอาหยุดกินจับจับแฉกแฉกนะนี่ปฏิบัติทำแล้วออกไปไปอยู่บ้านอยู่ช่องแล้วเลิกนะเลิกกินจับจับแฉกแฉกนะกินให้เป็นมือเป็นคราวจะกิน2มือหรือกินสามือตามเคยก็กินกินแล้วเลิกแล้วอย่าไปกินขนมข้าต้มยาเขาหลอกเงินนะนี่เด็กๆเนี่ยเดี๋ยวเรียกว่าเออเดี๋ยวซื้อเนาะไม่กินยาเสียเงินเราอย่าไปหลอกเด็กมัน ไม่ต้องครับไม่ต้องรอกเอาขนมขนมไปให้มันกินไม่ต้องหลอกเด็กกินข้าวขนมก็ทํามาจากข้าวเหมือนกันเขามาหลอกเป็นรูปแปลงรูปมาเป็นขนมอ่าเอาข้าวมาหลอกแปลงรูปเป็นขนมนขไปติดรูปขนมมันก็ไอข้าวเหมือนกันบางทีมาโม่ซะแะ่ตายเป็นแป้งแล้วเาแป้งไปปั่นก็ไอแก้แป้งกับน้ำตาลก็กินข้าวกับน้ำตาลก็เหมือนกันมันถึงเสียวเวลาไปโม่มันถึงเสียวเวลาไปปั่นด้วยเหมือนกันเลย ไม่เชื่อลองดูสิเอาข้าวมากระป๋องนึงโม่เข้าไปเป็นแป้งเอาแป้งไปผสมน้ําตาลเอาไปทอดไปอะไรก็ตามแต่เอาข้าวเนี่ยไปหุงไปทอดก็ได้แล้วเอาน้ําตาลลงไปก็เหมือนกันเลยเนะแต่เราโง่ทําแทบตายแล้วก็ไปกินเข้าไปในนี้มันก็นเป็นข้าวกับน้ําตาลเท่ากันใช่ไหมเนี่ยอย่าไปหลอกเด็กไอ้ขนมนี่มันแปลงรูปมามันหลอกคนเพราะคนนี่มันโง่ถูกหลอกง่าย ถูกหลอกง่ายก็เลยถูกเขาหลอกเรื่อยเลยเพราะงั้นเราจะต้องพยายามรู้นะอย่ารู้อย่ารู้เท่าทันอย่าไปให้ถูกหลอกการกินกินอาหารนะกินอาหารทุกวันเนี้ยเรามาลดมื้อลงแล้วเราก็ยังลดอาหารไม่กินเนื้อสัตว์ไปกินเนื้อสัตว์ดียังไงก็อธิบายสู่ฟังไปเยอะแล้วพวกเราจะอธิบายให้ฟังอีกนะเดี๋ยวพระ เราจะอธิบายสู่ฟังเพราะว่าเรื่องนี้พวกเราทำกันมากจะ อ, ธ, อธิบายสู่ฟังอาตมาจะไม่อธิบายสู่ฟังมากละกินอาหารไ ม, ไม่ไม่กินเนื้อสัตว์นี่มันดียังไงอ่ามันทำความเจริญให้แกตัวเองยังไงเราค่ยออกคอ ย, คอ ย, คอ ย, คอยฟังกันในวันหลังเพราะเราลดไปทั้งหลายอย่างเราไม่กินเพื่อเล่นแล้วเราไม่กินเพราะว่าเราไปติดมันไปเสพติดหรือไปถูกเมาไปถูกมอมเมามา เราพยายามกําหนดพยายามลดพยายามละออกมาให้ได้มากงนี้แล้วเราก็จะได้รู้ว่าโอ้ยคนเราเนี่ยมันเลี้ยงไว้ไม่ยากนะมันกินไว้น้อยเดียวเนี่ยแหละกินเช้าหนึ่งกินมื้อเดียวข้าวเดียวแล้วก็มากินอีกวันหนึ่งมันก็อยู่ได้นี่มันไม่เป็นไรอาตมาเนี่ยกินข้าวมื้อเดียวมันตั้งแต่เป็นคารวะนะปฏิบัติธรรมมันตั้งแต่เป็นคารวะกินข้าวห้นเดียวก็ทํางานทําการหาเงินได้เยอะแยะอยู่เหมือนกันนี่ไม่เห็นเป็นไรเลย แต่คนเราโอ้ยทำงานทำการเหมือนอยังพวกกัตมาเป็นคารหัดว่พวกเราเนี่บอกว่าพวกผมนี่เป็นคารืหัดกินข้าวมื้อเดียวไม่ได้ล็อกหิวตายมันหิวเป็นกิเลสไอตัวหิวในกิเลสนะหิวได้กินได้ถ้ามันไม่พอก็เอาก็เติมก็กินเข้าวหลายๆจานหน่อยก็ได้นะถ้ามันไม่พอก็กินลหลายๆจานดูนะพราะการกินนี่ก็ให้พยายามพิจารณา อีกอย่างหนึ่งก็คือติดรถมันกินเข้าไปนี่เราจะพยายามพิจารณาพุทธมาเวลากินข้าเวลาจะฉันในส่วนมากถ้าไอ้นั้นทำไม่มีญาติโยมอะไรมากกัให้พิจารณานะเวลาจับบาตรตอนเช้าเชนี่เวลาก่อนจะฉันพุทธมาจะฉันนี่จับบาตรลงไปงี่นั่งพิจารณาเนี่ยนะเรียกว่าปฏิสังขาโยพิจารณาอาหารใหม่ๆต้นๆล้วก็พิจารณาว่าอาหารพวกนี้ เรากินเ พ, เพียงเพื่อยังขันเราจะไม่ติดรูปมันจะไม่ติดรถมันเนี่ยเอามาตักปนป น, ป น, ป, นปนกันเนี่ยบางคนทําเป็นรูปแกงรูปผัดรูปยำรูปของหวานของขาวมาเรามาปนปกันลงหมดแล้วเนี่ยไม่เหลือแล้วรูปแกงก็ไม่รู้แกงไม่รู้ผัดแล้วรูปของหวานกน็ไม่รู้ของหวานและปนกัน อ, อย่างเมื่อวานนี้มีถั่วดำตักถั่วดําลงวันนี้มีถั่วเขียวตกักถั่วเขียวลงมีน้ําพริกตักน้ําพริกลงมีแกงตักแกงลงแกงเผ็ดก็มีแกงจืดก็มีวันนี้ใส่ลงไปเนี่ยเราดับรูปเราไม่ติดรูปไม่ติดรถ รถมันปนกันแล้วหวานเผ็ดปนกันไปหมดไม่ติดรูปไม่ติดรถเราพยายามให้รู้พอแตะลิ้นเรารู้ว่านี่เราชอบนี่เราไม่ชอบเราไม่เอาชอบก็ไม่เอาไม่ชอบก็ไม่เอานะเราจะกินแต่เพียงพอให้มันเคี้ยวกลืนลงไปในกระเพาะได้กินแล้วก็เคี้ยวก็กลืนลงไปในกระเพาะอันนี้เหมาะสมอันนี้ควรกินก็กินอ่านะ เหมาะสมควรกินก็กินเข้าไปเฉยๆไม่ใช่กินเพราะว่าติดรูปมันติดรสมันติดกลิ่นมันติดสัมผัสมันต่า ง, า ง, า ง, างนนๆนานาไม่เอานะเราจะกินอย่างนั้นเราจะไม่ห ล, ลงรูปหลงรสหลงกลิน่นหลงสัมผัสอะไรมันนะสำหรับอาหารคนเนี่ยเกิดม า, ากินอาหารจนที่สุดแม้กระทั่งเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ยังกินอาหารมันสําคัญตัวเล็กตัวน้อยตั้งแต่เล็กแต่น้อยแต่เด็กจน ก, กระทั่ง จะตายจนถึงตายก็กินอาหารเพราะฉะนั้นตัวอาหารนี่สําคัญสําคัญพระพุทธเจ้าสอนมากเรื่องอาหารเนี่ยเรามากําหนดอาหารกันไม่ไม่เป็นทาตอาหารไม่เป็นขี้ข่าอาหารไม่หลงมันในเรื่องอาหารเรามาพิจรารณามันจริงๆแล้วก็หัดลดหันละมันจริงๆแล้วมันจะเกิดผลว่าเราเองเราอยู่สบายกินแต่พอเพียงพออยูอ่กินแต่เพียงพอที่จะให้มันเลี้ยงขันเลี้ยงกายอะไรอพอพทำเนาเนี่ย เราก็จะได้พ้นทุก์ไม่เดือดรอด้อนมาเป็นขีข้คาอาหารเป็นขีข้คาปากขีข้คาลิ้นขีข้คาหูตาจมูกบางทีนี่ไอ้นนท์พอได้กลิ่นมันแหมไอ้นี่กลิน่นชวนใจจริงหม่อยากกินอดใจไม่ได้ต้องหาเงินหาทองไปซื้อมา ก, กินพอเดินผ่านไปตลาดแหม ก, กลิน่นอยากเกลเออพอได้กลิ่นมันแล้วชวนใจอยากกินนี่แบบนี้มันถูกล่อนะกิเลสมันชวนเราไม่ได้เราต้องหัด เะ้าดจริงๆไม่ติดในกลิ่นในรถรถอย่างนี้พอไปชิมเข้าล้โอ้ยซื้อมามากมายเลยเอามาเก็บไปกินชอบรถอย่างนี้ก็ไม่เอาได้ยินเขาพูดมาเขาล่ำลือมาว่าไอ้นี่น่ากินแล้วก็ไม่ต้องไปหลงเขาเห็นสีมันน่ากินรูปมันสวยอุย้ยมันย่องเลยสีแดงน่ากินสีมันเหลืองน่ากินไม่เอาไม่หลง อะไรที่มันเป็นของที่พอเหมาะพอสมที่จะกินเข้าไปรักษาร่างกายได้เลี้ยงร่างกายไว้ได้อย่าหลงมันถ้าเราตัดเรื่องการกินไม่เป็นธาตุการกินได้แล้วนี่นะตลอดชีวิตสบายไปเยอะเลยนะบอกแล้วว่าคนเรานี่มันจะต้องกินเป็นพระอรหันต์แล้วยังต้องกินเลยแล้วมันติดตัวไปถึงกั้ทั้งกินอย่างอื่นนี่เหล่ายาปลาปิ่งอะไรนี่เป็นพระอรหันต์แล้วไม่ต้องแต่ต้องก็ได้แต่ข้าวอาหารนี่ต้องกินมันนี่ พรถ้าคืนมาหลงรูปหลงรถแล้วก็เอามาถวายแล้วเอาแล้วบันเดียวก็ยุ่งยากตีมันอยู่แต่แกะไม่ออกเพราะฉะั้นจึงต้องพิจรารณาให้มากเรื่องอาหารเนี่ยพิจรารณาให้มากอยู่เนื้อมันอย่าเป็นาธาตุมันทีเดียวอ่าพิจรารณาทุกวันพิจรารณาจริงๆกินไปตั้งใจกินเวลากินข้าวในพวกเรานะใช้สติ ป, ปัฏฐานทุกวันเนี่ยเพราะอัตตวัตตมาจับนี่ไม่ใช่จับเล่นไม่ใช่ว่าจับแล้วท่องคาถานะ อย่าเข้าใจว่าจับปากปลาเนี่เวลาก่อนจะกินนี่แล้วทองกระทำอะไรแต่อะไรให้ลําให้รวยให้เนี่ยไม่ใช่นะพิจารณาอาหารนี่ดูวันนี้อาหารมีอย่างนี้เนาะอันนี้เหมาะสมอันนี้ควรกินอย่างนี้ควรกินอันนี้นี่เราเคยหลงเคยติดอย่างนี้เราไม่เคยหลงไม่เคยติดไม่เป็นไรอ่าอย่างนี้เราจะกินดูจะฝืนกินดูนี่เราไม่เคยเราเเราเคยบอกอย่างนี้ไม่ชอบมันตอนนี้เราจะจะกินอย่างนี้ชอบมากอ่าตอนนี้เราจะไม่กินมันลองดูสิพิจารณาอาหาร พิจารณาเราจะไม่เป็นเราจะไม่ติดมันมันเป็นกิเลสอย่างนี้เป็นต้นเราจะต้องหัดเพราะญาติโยมเวลาเช้านี่ก่อนจะกินก็ลองทําดูด้วยนะพิจารณาก่อนกินเพราะว่ตักข้าวเขามากินก็ดูกินอันไหนมันอร่อยอันนี้ก็กินมากอันไหนไม่อร่อยแล้วไม่กินอย่างนี้ไม่เอ้าอันไหนไม่อร่อยไม่กินลองดูสิแกล้งมันมันอยากติดนักเนี่มันกิเลสนักกินไอ้ที่มันไม่อร่อยลองดู ถ้ามันกินนี่มันก็อันนี้ก็รักษาร่างกายไว้ได้เหมือนกันกินอันนี้ก็ได้นี่มันมีหลายอย่างไปจะกินแต่อันอร่อยนี่เอ้าไอมือมันเข้าเอามือมันเบี้ยวนี้ไปตักอันอื่นมั่งลองดูทีจะไหวไหมอ่านีหัดหัดไม่งั้นมันตามใจกิเลกกิเลมันก็อ้วนเลยนะให้มันเรื่อยพะอยากเนี่เออให้มันเพราะอยากตามใจมันให้มันเรื่อยกิเลมันก็อ้วนอ้วนอ้วนขึ้นทุกวัน เราอยาไปเลี้ยงกิเลสเราจะไปตามใจกิเลสมันอยากนี่แหละกิเลสต้องหัดพิจารณาแล้วก็หัดฟื้นหัดเปลี่ยนไปมั่งสู้มามั่งแล้วพิจารณารสที่แตะลิ้นถ้าเผื่อว่ามันไม่ยังไม่เข้าใจมันยังไม่พอเอาลองดูสิว่าไอ้ของนี่มันอร่อยเนะี่ยมันเป็นยังไงเคี้ยวเข้าไปกินเข้าไปกินเคียเค้ยวเคี้ยวเข้าไปแล้วคายออกมาดูเออนี่หรืออร่อย ขายอามาดูเสร็จแล้วออกสายปาเข้าไปกินใหม่ลองดูที่จะกินไหวไหมอ่าลองดูอ่ามันหลงนี่มันหลงอาหารมากนะต้องพิจารณาเนี่ยต้องพยายามกระทําจริงๆแล้วเราจะได้รู้ว่ากินอาหารในพินเพียงเพื่ออยู่ไม่ได้กินรูปกินรถกินอะไรมันแต่ว่าเราเองเราหลงมันคนนี่มันหลอกกันมา น, นานแล้วมากแล้วหลงรูปหลงรถหลงอะไรจะได้มันเนี่ย เราพิจารณาให้จริงแล้วฝึกจริงๆจนเรากินอาหารสบายไม่ติดไม่อะไรเราก็พ้นทุกข์ไม่ดี้ดิ้นไม่เดือดร้อนนะไม่เป็นธาตุอาหารอันนี้เรื่องของวิการโภชนาเรื่องของอาหารไม่ใช่ว่าสักแต่ว่ากินสองมือเฉยๆแล้วก็กินไปมาบวชหรือว่ามาปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้บอกว่ากินสมือกิน2มือเพล้ก็กินแถมแถมเข้าไปเรื่อยกินได้กินดีกินได้กินเอากินแล้วก็อ้วนปีมาบวชเป็นพระก็เป็นพระ พุงพุงพลุยเลยโอ้อย่างงี้ม่ใถ่พระอ่าพระไม่อ้วนหรอกเป็นพระจริงๆไม่อ้วนหรอกเขาว่าช้างพีหรือสีผอมมันถึงจะเข้าสูตรมันถึงจะดีเป็นพระเราเป็นนักปฏิบัติมันดูสีผอมไม่ไม่อ้วนหรอกอ้วนพุงพลุยนั่นเอาแต่กินก็นอนก็อ้วนทีเดี๋ยวก็เป็นโรคเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดตายเป็นโรคมะเร็งพวกนี้โลกกินดีอยู่ดีนะ เรื่องโลค ก, กินดีอยู่ดีเดี๋ยวนี้เยอะกินแล้วก็อ้วนพุงพุ้ยเอาแต่กินแต่นอนมันก็อ้วนมัอยากอ้วนแล้วก็ไอร้ระบบร่างกายก็เพาะเชื้อโรคระบบร่างกายมันมากไปก็เปลี่ยนเพราะงั้นก็เป็นเบาหวานง่ายเป็นมะเรง็งมันเกินก็เป็นมะเรง็งแล้วไขมันเยอะไขมันอุดตันเส้นเลือดตายง่ายที่เขาเรียกว่าโรคหัใวใจวายโรคหัวใจวายก็เกิดจากน้ําไขมันมันตันอุดตันเส้นเลือดมันโธมันเยอะนี่มันอยู่ที่ไหนก็ได้อุด มหม่เลือดมันวิ่งไปเดยงก็าตายแล้วคนน่ะไขมันอุดตันเส้นเลือดตายโรคเป็นโรคง่ายของนี้นเพราะงั้นคนนี่ตายเพราะกินเยอะแล้วก็เป็นกิเลสเยอะที่เราปฏิบัติในปฏิบัติทำเพื่อให้ลดกิเลสด้วย น, นิวิกาละโพชนะอาอ่ะทีนี้สีลข้อที่เจ็ดนัจคีตะวาทิตวิสุกทัศนาเอาตรงนี้ก่อน นัจจ่าเราพูดไปบางแล้วถึงท่าทางเพราะฉะนั้นยิ่งท่าทางต่างๆท่าทางดีติ้นฟ้อนเป็นฟ้อนเป็ น, น, ปนรําเป็นการเดินเตะท่าเดินสวนสนามเดินอะไรอย่าไปหลงมันไม่เอา้ามันต้องไปดูใครจะฟ้อนใครจะรําใครจะสวนสนามใครจะเดินเถิดเทิงเดินทําท่าทําทางอะไรยังไงฉ่างเขาเขาจะหลอกหลอกเอาเงินเอาอะไรกันเล่นกายกรรมเล่น โหหกขเมีนตีลังกาแสดงท่าเงินแสดงท า, างนี้เพื่อที่จะเอาเงินเอาทองไม่ต้องไปอยู่งนัดจ้กและเราก็ไม่ทํำด้วยท่าโลกโลกแบบนั้นนอกจากไม่ทําท่าโลกโลกแบบนั้นแล้วเรายังจะต้องมาหัดระวังให้ดูท่าทางให้มันสํารวมให้มันเรียบร้อยจะยกมือยกแขนพระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยยกแขนไกว้าเอี่ยวกายกระทาอะไรให้มีสติสัมปชัญญะให้กําหนด ควรโยกโยกมีความจําเป็นก็โยกก็โยกแล้วก็ยกอยากให้มีจังหวะจากโคนไม่ใช่ว่าปุรับปุรับปรีบไปเร็วไปหรือช้าเกินไปก็ไม่ไม่ดีเหมือนกันอควรเร็วบางทีควรเร็วก็เร็วพอสมควรอแต่มาให้เร็วจนเกินถ้าเร็วเกินไปเราพลาดส่วนมากเร็วเกินไปเราพลาดเป็นการประมาทเพราะฉะช้าไว้หน่อยดีแต่อย่าให้ช้าจนเกินควรจนไม่ทันการช้าเกินไปก็ไม่ดีอ ก็ให้หัดท่าทางต่างๆในหัดสํารวมให้เป็นไปในความพอดีพองามนัดจัดขีตต์ไม้ความวาคําพูดคําพูดพูดเป็นคารมเป็นกรอนเป็นกาบเป็นคําไพเราะให้หวานหูโอโลมปฏิโลมคําพูดพวกนี้ระวังอหวานเป็นลมขมเป็นยานะระวังคํานหวานพวกนี้ส่วนมากแล้วก็มักจะถูกหลอกคาพูดเป็นคําเพราะคํา คลองจองร้อยกลองอะไรแต่ใดแต่คําไหนที่พูดเป็นอัดเป็นธรรมก็ดีอยู่นะแต่โดยจริงแล้วก็ไม่ต้องไปติดถึงคํากรอนคํากาบคําคล้องคำ ค, ร ค, ำ, คำร้อยคําเรียงอะไรจนที่ก็พูดภาษาคนๆเนี่ยให้มันรู้เรื่องตอนนั้นคนเน้นตอนนั้นคนเบาคนหนักควรจะพูดอย่างนั้นอย่างนี้กันให้รู้เรื่องก็พูดให้มีภาษ า, ษาธรรมดานะไม่จะไปติดแต่ภาษาภาษาเพราะแล้วไปติดแต่ภาษาเลยไม่ได้เนื้อ ภาษาพูดดี่เป็นสื่อความหมายเป็นพูดเป็นภาษาให้เราไปรู้ความข้างในมันพอรู้ความข้างในแล้วเราก็ไม่ต้องไปติดประพาวาสในเพราะหรือไม่เพราะก็ไมสําคัญนะนั่นเลยว่าคีตะว่าที่ตากหมายควาว่าสําเนียงบางคนไปติดซําเนียงแม้คนนี้พูดเพราะแล้วเกินมีเสียงนี้จ้อยมีเสียงอ่อนเสียงหวานเสียงเยิ่มเสียงออดอ้อนอะไรไปติดซําเนียงที่แถมแถมมาไม่มีเสียงหรือซําเนียงเนี่ยแถมแถมมาไม่เอายิ่งเสียงเป็นเพลง เป็นคำร้องโอเอ๋อเอ๋บางทีนี่มันร้องบอกว่าพระเทพมันก็กเทพอ่าจริงเทพแบบเวสันดรนเทพมัดสีเทพเดินดงอะไรเงี้ยมันร้องเพลงแบบนั้นไม่ใช่พระเนี่ยพากันเสียมามนานแล้วและยิ่งไปยันะบอกว่าเทพพระเวสต์ไปแล้วเป็นนั่งฟังน้ําลายย้อยอร่อยมันก็ไปฟังเพลงเขาคองเพลงไม่เอาอย่างงั้นไม่เอาพระไม่ทําหรอกจริงๆพาเสีย ไม่ดีนะถ้าจะเทศก็เทศให้มันมีเรื่องมีภาษาแล้วก็แปลให้ฟังมีความหมายอะไรตะไระยังไงนี่มาร้องเอาสำเนียงมาใส่เอาเสียงมาใส่บางทีเทศนี่ขึ้นเสียงห้องเลยเออโอ้โหเป็นหมอลามหมอแอลอย่างเต็มที่เลยอย่างนี้พระมาทําได้เลยฟังดีๆนะพระทําไม่ได้ผิดศีลน่ะนะนะพระทําไม่ได้เพราะงั้นอย่ า, อ ย, าอย่าไปสนับสนุนกันนะ อย่างนั้นอย่าไปสนับสนุนกันต้องพยายามรู้ว่าพระจะให้ความรู้เราจะให้อัดให้ทมเราก็ต้องเป็นอัดเป็นทมไม่ใช่พระมามเมาเราให้ติดพระมอมเมาให้เราติดยิ่งไปติดผิうう ah. ดศีลตัวเองก็ไม่ควรแล้วก็ยังไปทำให้คนติดด้วยไม่เอาเป็นวาทิะเป็นเสียงที่มันเกินขอบเขตไปไม่เอาเราต้องพยายามอะไ haz, ไม่เมื่อไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไปสนับสนุนไม่ไปทำ เราก็ไม่ทําด้วยเราก็ไม่พยายามที่จะไปเอาอนนี้มาหลอกมาล่อคนด้วยนี่เสียงนี่เรียกว่าศีลข้อข้อที่เจในส่วนของนัจคีตวาทิตะสิ่งเหล่านี้อย่าไปดูไปฟังเรียกว่าวิสุกทัศนามันเป็นข้าศึกมันเป็นศัตรูต่อพรหมจันทร์มันเป็นศัตรูต่อธรรมะเป็นคนที่เป็นโลกโลกไปหมดเราต้องพยายามอย่าให้มันเกิด อย่าให้ไปมีอย่าไปรับมาอ่าเป็นศัตรูต่อการปฏิบัติธรรมอย่าไปดูอย่าไปฟังและเราก็ไม่ทำด้วยต่อจากนั้นก็มีมาลาคันทะวิเลปณะธารณะมันทนะหรือรวมไปหมดแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นการประดิษฐ์ประดอยประตบประแตง่งประดับประดาพวกนี้ไม่เอานะ มาลาไม้ขาวมาดอกไม้หรือสีหรือภาพสีสันมาลาเพราะงั้นเราไม่เล่นดอกไม้ดอกไรเราไม่เล่นยังยาบๆบอกว่ายาวดอกไม้มาทัดหูมาแต่งมาชมนะก็ใช่ด้วยแล้วเราก็ไม่หลงสีดอกไม้ไม่หลงเล่นดอกไม้มพรพวกอาตมานี่ห้ามไม่เอามาดอกไม้ดอกบัวงี่ให้มันเป็นฝักไม่ต้องไปเด็ดมาจากน้ํา ให้มันโตเป็นฝักแล้วก็เข้าไปเก็บฝักมากะกินเม็ดมันก็เป็นอาหารได้อันนี้เอาดอกบัวมาแล้วก็ามาประดับใส่แจกันเน่าแห้งทิ้งแล้วเราก็มาไปกี้ขาเก็บมันเอาเอาน้ำไปเทเอาดอกไปทิ้งชฉยเฉยเสียเศรษฐกิจเสียแรงเปล่าๆด้วยเราไม่ไม่ไม่ต้องไปประดับประดาเล่นอย่างงั้นหรอกสิบนิ้วนี่อยากบูชาก็บูชาได้นะ กราบเต็มมือเลยปฏิบัติด้วยปฏิบัติสติปัฏฐานเอกายนะมะโคเนี่ยปฏิบัติเข้าใกล้เลยปฏิบัติจริงๆเป็นบูชานี่ปฏิบัติบูชานี่ยิ่งกว่าอามิดบูชาแบบนั้นไม่ต้องเล่นดอกไม้ดอกไร่ไปเอามาประดับประดาก็ไม่เอาไปเอามาตกมาแต่งก็ไม่เอาไปเอามาประดิษฐ์ประดอยไม่เอามันเราจะเป็นนักปฏิบัติทำแล้วเราจะต้องทําให้มันถึงอย่าให้เอามาเล่นกันมาลาคันท่คันทะของหอม ของหอมก็ไม่เอาบางทีนี่จะต้องไปซื้อทูบมาก็จะต้องเอาทูบหอมเทามาจุดแล้วให้กลิ่นคลุงนะ้งเลยนะยิ่งทูบแขกนี่แพงด้วยทูบแขกกลิ่นหอมไม่เอาเราไม่เล่นของหอมผิดซีนไม่ต้องใช้ไม่ต้องทําไม่ต้องทำมันมันเป็นไปตามธรรมดาละเว้นเสียาจะปรุงจะแต่งมามันหอมมันอะไรต่ออะไรก็ฉันเขาก็จะโยโยวนกันเราไม่ต้องไปหลงมันอ่าไม่ต้องไป ลำบากลาบงลำบ่นกันมันของหอมไม่เล่นแม้คันถ้ของหอมไม่ไม่ไมแต่ไม่เอามาประดับประดาไม่เอามาเล่นพิเลปณะนะเครื่องพ่อเครื่องทาทาฉาบเข้าไปทาผิวเป็นน้ําอบน้ำำํารําเป็นแป้งเป็นอะไรอย่างนี้ก็ไม่ทา นอกจากไม่ทาแล้วของอะไรต่างๆพวกนี้เราจะมาทาให้มันดูหลอกเขาหน่อยหลอกเขาหน่อยอะไรเงี้ยอย่าไปทาเพื่อหลอกเพื่อหลอกอย่างต้นเสาเราจะทาสีให้งามก็ไม่จําเป็นอะไรมากนะักทากันปลวกกันแดดกันให้มันคงทนเออก็ทาถ้าทาเพื่อจะทาแล้วก็เขียนลวดเขียนลายหลอกหลอกคนอือ่นคนนั้นคนนี้ก็อีกอย่างนี้เรียกว่าพอกทา เพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นผู้ที่ทรงไว้ซึ่งของที่พอควรของที่เหมาะสมกับฐานะและอย่าไปเป็นไปเพื่อความตกแต่งประดับประดามากเกินไปมันฑนะกรหม่อมเข้ามาตกแตง่งมีการตกมีการแตง่งมีการกระทำให้มันเออเราเฮ้ยมันมากเรื่องมากราวถ้ามันยากมันจุ้งมันหนกักมันเมื่อยเสียเวลา นะไม่เป็นโรคเป็นภายอะไรแล้วทําให้เราติดด้วยโอ้ยสวยดีหนะ้าดูดีหนะ้ารักดีนะหน้าห่วงหนะ้าแพงดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเสียเวลานะเราอย่าไปมัวเมามันลดลงมาสิ่งเหล่านี้เป็นฐานะของความประดิษฐ์ประดอยเรียกว่าวิภูสนัทธนาเป็นฐานะของความประดิษฐ์ประดอยตกแตง่งและทําให้ยุ่งยากลําบากหนักเป็นภาระมากนะักปฏิบัติธรรมต้องไม่หลงในรูปใน อ น, นุพยัญชนะพวกนี้เป็นเครื่องประกอบอยู่นอกๆเราอย่าไปหลงมันชาวโลกเขาเขาติดละชาวโลกเขาหลงกันเยอะเราอย่าไปหลงและเราก็พยายามสอนคนให้หัดเลิกติดเลิกหลงมาเพราะโลกเขาสอนให้หลงแต่เราสอนให้เลิกหลงโลกเขาสอนให้ติดสอนให้ยินดีเราเลิกเราสอนให้เลิกยินดีเลิกหลงลดลงมา มัถึงจะดีอันนี้เรื่องของรูปรสกลิ่นเสียงนั่นเองรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนั่นเองถ้าสังเกตดีๆสี่นข้อนี้ให้ไม่ให้หลงท่าทางไม่ให้หลงซุ่มหลงเสียงไม่ให้หลงกลิ่นหลงสีไม่ให้ลลลใหลงรูปรงรูปรองสัมผัสต่างๆนั่นแหะสี่ข้อเนี้ยหัดตรงมาอธิบายความแล้วก็อย่างที่เคยอธิบายมาผ่านอื่นๆมาแล้วไม่ให้หลงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทั้งมวลในสี่นข้อที่เจ็ดสิ่นข้อที่แป จารยนตมหาสยนาอุจจาก็แปลว่าใหญ่มหาก็แปลว่าใหญ่สยนะหรือสยนานี่แปลว่าที่รองที่รับเครื่องรองเครื่องรับอาตมผู้ใดหลงแต่ให้มันมีแต่เครื่องรองก็ดีเครื่องรับก็ดีมีแต่หลงการจะต้องให้มันใหญ่ให้มันโตให้มันโออาให้มันมากให้มันหลงความใหญ่กันนักหนา มันก็เมื่อยมันก็ทารุนมันก็หลงกันใหญ่ละมันก็แปลงง่ายๆว่าแม้แต่ว่าตัวเรานี่ก็แท่งเท่านี้อยาไปหลงตัวหลงตนว่าตัวเราแท่งใหญ่เบเลอ้อเวลาจะนั่งตัวนั่งเตียงใหญ่ใหญ่เวลาจะนอนจะนอนเตียงใหญ่ใหญ่เตียงสูงสูงนั่งจะนอนนั่งตังสูงสู ง, สงตังสูงไม่พอจะต้องประดับประดาจะต้องให้มันสวยมันเออระเยอะไรมากมาอีกไม่เอาอย่างนั้นเรียกว่าหลงตัว หลงตัวใหญ่ศิ่ขอ้อนี้ท่านเฮพยายามม่ให้เราเนี่ยหลงตัวหลงตนว่าเราใหญ่อย่ามักใหญ่สิ่ข้อนี้เพราะหยาบหยาบต้นๆก็สอนกันแต่แค่ว่าอย่านั่งที่ตังใหญ่เตียงใหญ่ย่านอนเตียงใหญ่เตียงสูงน่นก็ถูกแต่ว่ายังหยาบยังไม่มากพอยังไม่ละเอียดสิ่งข้อนี้ก็สอนท่านสอนให้ระมัดระวังยาหลงใหญ่ ตัวเราเองเล็กแค่นี้ก็จะไปเบ่งใหญ่เบง่งโตไปไหนก็เขาจัดที่จัดทางให้รับตอนรับก็จะต้องจัดที่ใหญ่ๆมีอะไรก็รองรับใหญ่ๆผ่านชั้นรองกับชานผ่านใหญ่ๆต่างเตียงก็ใหญ่ๆไปไหนก็ขับฟ้าไปหมดไม่เอาอย่างงั้นไม่เอาอย่างงั้นไม่เอาเพราะฉะนั้นเราต้องมาหัดจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะไปจะมาอะไรก็ที่จะรองจะรับเราเนี่ยก็ที่เล็กๆไม่ต้องทีโ่โตๆอะไรที่อนอนก็นอนน้อยๆก็ได้ ที่นั่งก็นั่งเล็กๆพอสมควรไม่ต้องสูงต้องใหญ่อะไรจนเกินขอบเขตแม่แต่ที่ที่จะรองจะรับเราแม่แต่บ้านแต่ช่องเลื่อนชานก็ไม่ต้องใหญ่ต้องโตอะไรมากมายพออยู่พออาศัยเสื้อผ้าก็ไม่จะต้องจะใส่แต่เสื้อใหญ่ไม่เอ า, อาใส่เสื้อเล็กก็ได้นะใส่เสื้อพอสมควรก็ได้ไม่จะต้องติดตัวใหญ่ๆอะไรก็ใหญ่หมดอาจจะรองจะรับอะไรก็ใหญ่กันไปหมดมันทุก มันเดือดร้อนแล้วมันหลงตัวเองมาจัวเองเองแหมหลงใหญ่หลงโตจะต้องใหญ่ต้องโตมันไอ น, นี้เป็นเรื่องของมานะทิฐิการมักใหญ่มักโตอาศัข้อนี้ละเอียดละ อ, อไปให้ระมัดระวังความมักใหญ่มักโตความหลงใหญ่หลงโตรวมความเป็นอย่างนั้นให้เราพิจารณาให้เราพยายามฝึกตน อ่าแม้แต่จะนั่งจะนอนจะไปจะมาจะมีก็ไม่จะต้องพยายามจะต้องไปลงจากของใหญ่มีอะไรใหญ่ๆมากมายก็ไม่ดีในสีข้อที่8อดสี ท, 8, สทั้งหมดนี่ก็ขยายความกันออกไปอย่างนี้แม่ที่สุดจะเป็นศีสิบ ข, ขยายขึ้นไปจะเป็นจุลศีล26มัชชีมศีลมหาสีลอะไรพวกนี้ต้องศึกษาเรียกว่าศีลสิก ข, ขาเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติโดยเฉพาะพระ พระลูกศิษย์พระพุทธเจ้าต้องศึกษาศีลเรียกว่าศีลสิกขาศึกษาแล้วก็เอามาปปฏิบัติเพื่อให้จิตของเราสูงขึ้นเรียกว่าสมาธิหรืออธิจิตแล้วเราจะได้รู้ความจริงเรียกว่าปัญญารู้สิ่งที่ควรละเวน้นรู้สิ่งที่เลิกมาให้ได้หลุดมาให้ได้เรียกว่าเกิดปัญญามีวิมุตติมียานมีวิมุตติแล้วเราจะได้เป็นตัวอย่างแก่โลกเราจะได้สอนโลกได้ถูกสอนผู้คนได้ถูกเป็นตัวอย่างแก่เขา เราจะอยู่จะกินจะใช้จะไปจะมาอะไรเราก็จะอยู่แต่เพียงพอดีอยู่อย่างเป็นตัวอย่างเขาแล้วก็พยายามชักจูงมาอย่าให้คนเราเนี่เกิดมาแล้วลาบากมันทุกยากเพราะว่าการเกิดมาแล้วก็ถูกหลอกลอกกันมากกันมาอ่ะพระก็จึงจะต้องศึกษาศีลที่พระพุทธเจ้าต่างๆไว้นี่แหละศึกษาเดี๋ยวนี้ก็ยังทันสมัยเดี๋ยวนี้ยิ่งทันสมัยเพราะว่าของหลอกมันยิ่งแยะอ่าศาสนา พ, พุทธเจ้านียิ่งทันสมัยใช้ได้ ทำให้เราจเจริญ ง, ง่ายไม่มีทุกข์ไม่ลําบากอยูง่ง่ายๆอยู่สบายสบายไม่เดือดไม่ร้อนไม่หลงอะไรมากในศีลต่า ง, างๆพวกนี้มีเยอะแม้ที่สุด8400มพพระธรรมขันธ์ก็เป็นคําสอนคําสอ น, สอนที่เป็นหลักเกณฑ์เี่ยเราประพฤติดีละชั่วประพฤติดีให้บริสุทธิ์ไปถึงจิต ถ, ถึงใจนะเป็นศีลเรียกว่าหลักเกณฑ์เรียกว่าระเบียบเรียกว่าวินยัยเรียกว่าศีลให้ประพฤติให้ดีที่สุดขึ้นมา อันนี้จะอธิบายศีลสู่ฟังแล้วทั้งหมดถึง8ข้อที่เราได้สมาทานศีลกัน8ข้อพยายามไปทบทวนลองไปนั่งนึกถ้าอยู่เงียบๆวันที่เร า, เอาพอกินอาหารแล้วอะไรแล้วไปอยู่พักก็เราก็นึกทบทวนอาตมาพูดยังไงอธิบายยังไงฟังดูไม่เข้าใจก็เอามาถามพระมาถามผู้ที่รู้อธิบายฟังสิอันนี้ข้องใจ เรามาถามมาถ่ายกันหรือยังสงสัยอยู่นี่อัดเทปไว้เทปนี่ก็คงเอาไว้มาเปิดฟังดูอีกทีก็ได้เอามาขอฟังหน่อยขอฟังเปิดฟังดูยังไม่เข้าใจดีก็ได้นะตั้งใจเรียนนะตั้งใจฝึกปรือแล้วเราจะได้ประโยชน์ในการที่จะมาทา ม, มาฝึกขัดอบรมบาเพ็ญธรรมสติปัฏฐานโดยใช้ศีลเป็นการอบรม อทีนี้บางคนก็จะสงสัยว่าอบรมกรรมฐานทําไมไม่พานั่งหลับตาอ่ะ <c oughs> อบรมกรรมฐานทําไมไม่พานั่งหลับตาก็จะขออธิบายให้ฟังว่าการนั่งหลับตานั่นนะ่ะไม่ใช่ของศาสนาพุทธทีเดียวหรอกแต่พุทธก็รู้อัตมาก็รู้อัตมาก็เคยทําเคยเรียนเคยทำมาทั้งนั้นแนะ่ะเล่นมายังไงหลับหูหลับตามาอย่งไรยังไงก็เคยเล่นมาหมดนะ่ะ ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าไม่รู้แต่มันไม่ใช่พระพรุทธเจ้าเคยไปเรียนกับอาลานดาบทอุทกดาบทไปเรียนกับฤษีดาบทเนี่ยไปเรียนหลับตามาแล้วโจรกระทั่งรูปปัชานรูปปัชานไปได้ถึงขัน้นอากินจัญญายตนะถึงขั้นเนวัสัญญานาชั ญ, ญญายตนะฌานต่างๆพระพรุทธเจ้าเรียนมาแล้วก็บอกโอ้อันนี้ไม่ใช่ทางไม่ใช่มรไม่ใช่ทางที่จะพ้นทุกข์ท่าก็เลิก ท่าถึงมาเรียนรู้ด้วยสติปัฏฐานมาค้นเจอก็ค้นเจอสติปัฏฐานให้รู้ตัวรู้ตน ร, ตรู้พิจรารณาสิ่งเหมาะสิ่งควรกระทาตนให้เคยไปในทางที่ดีนี่แหละจนเข้าใจจงแจ้งแท้แล้วท่านถึงบอกโอ้ท่านจับได้เอกยายนามะโคทางที่เป็นทางเอกทางเดียวแห่งการบรรลุคือที่อาตมาเอามาพาทำนี่แหละ่วาการนั่งหลับตานี่เขามีมาก่อนาศาสนาพุทธอีก ฤศีชีพายนั่งกันเต็มป่าหลับหูหลับตาม า, าศาสนาพุทธเกิดแล้วฤศีนั่งหลับตากันก็ยังมีอีกแข่งกับศาสนาพุทธก็มีจนพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วไอ้นี่มันก็ยังมีอยู่อีกแสกเข้ามาในาศาสนาพุทธอีกโจนเดี๋ยวนี้หลับหูหลับตากันเยอะนั่งหลับตาแล้วก็อย่างว่าละทำแตกกันเยอะลูกศิษย์พระพุทธเจ้าที่นั่งหลับตาแล้วก็บรรลุธรรมไม่มีสักคน ในพระตะวีดองนี่อ่านดูทั้งหมดไม่มีหรอกตัวอย่างไม่ได้ไปบรรลุธรรมหรือว่าบรรลุเป็นพระอรหันต์ตอนมานั่งหลับตาไม่มีหรอกนั่นเขาหลงกันยืนยันกันว่าจะต้องนั่งหลับตาเนี่ยถึงจะบรรลุเพระอรหันต์ไม่ใช่พระยศน ะ, ะหรือแม้แต่ปัจจวคีท่านสอนนี่ก็เป็นฤาษีพวกปัจจวคีหมู่แรกที่พระุทธเจ้าไปสอนเนี่ยบรรลุธรรมขึ้นมาถ้าก็อธิบายธรรมมาสู่ฟังเนี่ย อธิบายทำมาจากกวัตนาสูตรเป็นสูตรแรกให้รู้ความสุดตรงคือความเป็นหลงนั่นน่ะนั่งหลับหูหลั บ, ลบตานั่งเสพอัตตาตัวตนเข้าไปในพพเนี่ยแล้วก็ไปเสพความสงบไปติดอัตตะอะไรอย่างเงี้ยท่าบอกว่านันสุดตรงไม่เอาหรือว่ามาทางโลกก็มาหลงหูตาจมูกนิ่งกามาเสพกามาคุณนั่นก็ไปสุดตรงฝั่งคนอันนี้พอไปปฏิบัติทําไปสุดตรงฝั่งไ ป, ไปติดพพเป็นเพราะว่าตัณหาอยู่ทางคนก็มาติดกามาตัณหาสุดตรงคนละสองส่วนเรียกว่ากามาสุคัลิกะกับอัตตากิริมัา อัตตะ ก, กิลมัานโยไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาพระเจ้าสอนประเจ้าคี่นก็อธิบายสู่ฟังจนกระทั่งเข้าใจดีแล้วท่านก็ถึงให้อธิบายอริยสัจสี่ให้ฟังทุกมันอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเราลงอะไรแตอะารต่างๆสาธยายต่างๆไม่ใช่ว่ามาสอนแต่ว่าทุกสมุทยัยนิโรธมากแค่นั้นไม่ใช่ท่านอธิบายทั้งเยอะสอนจนบรรลกุก็อธิบายกันแล้วก็หาไปพิจารณาเห็นจริงแจ้ ง, จงเองแล้วก็บรรลุ พยสละลองจากปัจจวับบคคีต่อมาพระพุทธเจ้าก็สอนนี่นั่งอยู่นี่บรรลุเป็นพาระอรหันต์อยู่ที่แห่งเดียวนี่เลยพยศนั่งฟังพระพุทธเจ้าเนี่ยนั่งฟังเทศพระพุทธเจ้าเทศการแรกเทศเนีฟังให้ถึงให้รู้ถึงทานถึงศีลถึงสวรรค์ น, นรกอะไรต่างๆแล้วก็พยายามอธิบายหเห็นโทษแห่งการที่ยังเสพอยู่ในกามอยู่ในโลกนึกออเป็นสวรรค์เป็นบีมายเป็นอะไรๆให้เห็นโทษเห็นภัยมันจนเข้าใจแจ่มแจ้ง แล้วก็สอนว่าเนี่ยทุกสุขอยู่ในโลกเป็นอย่างนี้แหละคนเราเกิดมาก็เท่านั้นแย่งผงนี้ละเหมือนกับแย่งกระดูกพญาศัพท์ฟังเทศแบบนี้สองกันพอเทศให้ตัวเองฟังทีหนึ่งเดี๋ยวพ่อมาตามเทศให้พ่อฟังอีกถึงเรื่องผงนี้พญาศัพท์นั่งฟังเทศอีกซ้อนฟังเทศตอนแรกได้เป็นพระอริยะโสดาแล้วฟังอีกทีหนึ่งเป็นพระอรหันเลยนั่งทิศอยู่เนี่ยเดียวเดียวนั่งอยู่ที่เดียวยังไม่ได้ลุกไปไหนเป็นพระอรหันตรงนี้ ไม่ได้ไปนั่งหลับหูหลับตาบาเพ็ญท่องบนภาวนาอะไรอย่างที่เขาว่าเขาทากันไม่ใช่เพื่อนพยาศาอีตั้งสี่สิบห้าสิบก็ว่านั่งฟังทางพระพุทธเจ้ามันลุกเป็นพระอรหันต์รุ่นแรงหกสิบองค์หรือแม้แต่ขนาดพระสารีบุตรก็นั่งพัดในพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าเทศให้พระอีกองค์หนึ่งฟังกกรพระอะไรนะที่คณะที่คณ ะ, ะเทศให้อีกองค์หนึ่งฟังภาษารีบุตรก็ พัดให้พระพุทธเจ้าโบกพัดในพระพุทธเจ้าอยู่ธรรมดานี่ยแล้ก็ฟังไปฟังเทศไปพรางฟังทั้งๆที่ไม่ได้เทศภาษาลีบุตรฟังเองเราเทศอีกองหนึ่งฟังภาษาลีบุตรฟังไปต่างก็พิจารณาตามไปโอ้บรรลุเป็นพระละหันก็พัดนั่งพัดอยู่นี้บรรลนั่หลับตาลบหลูที่ไหนกันทางานด้วยสร้างโบกวีให้พระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยแล้วก็บรรลุเป็นพระละหัน์ไม่มีเรา ก, ก็นั่งหลับหูหลับตาบรรลุไม่มีอาจารย์นี้นั่งหลับตาที่ว่าเนี่ย จริง น, ะนั่งหลับตาก็มีประโยชน์เหมือนกันนะถ้ารู้เข้าใจแจ้งแล้วก็หัดกันแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าของมันนั่งเล่นเล่นง่ายๆปรเดี๋ยวหลงหลงแล้วก็ทําแตกอย่างที่ว่าเนี่ยทําแตกแล้วเวน้นมันปฏิบัติทำแล้วทําแตกนี่เสียคนไปหมดแลยุ่งใหญ่เพราะฉะนั้นไม่จําเป็นไม่ต้องไปนั่งหลับหูหลับตาท่องบททำอะไรอย่างที่เขาพาเป็นหรอก เริ่มต้นเป็นพระโสดาอัตมาอธิบายฟังแล้วให้เรียนรู้สิ่งที่เราติดตรยุดประพิจารณาแม้แต่เวลาไปอยู่สงบสงัดคนเดียวนี่ก็นั่งขี้ทบทวเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยเราไปหลงอะไรเขาพาหลอกไปอ่าไปติดไอ้นวลไปติดไอ้นีน่อะไรต่างๆนานานี่โอ้เรายังติดอยู่นาะนี่มันยังทิ้งไม่ได้ต้องพยายามหาตั้งจิตตั้งใจดีๆตั้งกดตั้งคอเอาจริงๆนะเราจะจุดเราจะกำหนดตรงไปจะหยุดจะลดให้มันน้อยลงอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จะเอาอย่งี้ตั้งแต่กำหนดวันนี้อย่างนี้ไปเรื่อยๆอะไร ก็ตั้งให้ตัวเองเอาจริงๆพิจารณาจริงๆแล้วก็ตั้งใจเอาจริงๆหรือแม้แต่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสพิจารณาทะเลาบุพเพนิวาสานุสติย้อนดูตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่วันนั้นเดือนนั้นปีนั้นแลลึกถึงอันไหนตอนไหนก็ตามแต่ระลึกย้อนดูนี่เป็นวิชาที่หนึ่งของพระพุทธเจ้าแล้ลึกย้อนดูเรื่องเก่าๆที่เราผ่านมา ไม่ใช่บุเพนิวาสารุสติก็จะเป็นระลึกนั่งหลับหูหลับตาก็าไประลึกอู้จะปางก่อนเกิดเป็นเทวดาปางก่อนเกิดเป็นเศรษฐีไอ้นั่นมันเลเอะเทอะไม่ใช่ศาสนาพุทธไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นศาสนาพุทธให้บุเพนิวาสานุสติหมายความว่าใช้อนุสติคือใช้ความระลึกของเราเนี่ยระลึกย้อนเรื่องเก่าเลยว่าบุเพบุเพนิวาสะสิ่งที่เราผ่านมาเคยเป็นอยู่มา เคยเป็นอยู่มาแล้วเราละลึกย้อนดูสิ่งเหล่านั้นอันไหนมันบาปเลิกอันไหนมันเป็นบุญเออเ อ, อาหนี้ทำละลึกสิ่งที่เป็นบาปสิ่งที่เป็นบุญอันนี้นเป็นบาปเลิกมาตั้งใจใหม่นี่เรียกว่าละลึกนั่งอยู่คนเดียวก็พิจารณาเออเราชีวิตของเราเกิดมานี่ก็ผ่านบาปผ่านบุญมาเลิกบาปสักทีนอตั้งใจดีๆเอาใหม่แล้วก็ประพฤติจริงๆนี่เรียกว่าเราจะกระทาจริงแล้วให้รู้ให้ได้ว่าแม้แต่เราผ่านมาสิ่งเหล่านั้นก็เป็นแต่เพียงความเกิดความดับ เป็นแต่เพียงความเกิดความดับความผ่านไปเกิดแล้วเราก็ไปติดมันซะด้วยติดแล้วมันก็เกิดอยู่นั่นอีกแหละไม่รู้จักหยุดความเกิดนี่หมายความว่ามันไม่รู้จักหยุดเพราะฉะนั้นเราจะต้องหยุดต้องดับมันเราไปติดไอ้นี่อยู่เลิกให้ได้เรียกว่าดับดามให้จริงๆ จ, งจึงจะหมดจึงเรียกว่าดับได้เป็นนิโรธเพราะอันไหนที่เราติดมา ก, มากๆก็มาเลิกมันดับมันให้ได้จึงจะเกิดจุตูปปาตญา ดับได้มากจนกระทั่งเข้าใจจนกระทั่งเรียบร้อยโมดแม้กระทั่งชั้นนอกชั้นในซับซ้อนไปมากก็เรียกว่าถึงอาสวัคขยญาณถึงการบรรลุอาสวะไม่มีอาสวะไม่มีกิเลสตัณหาใด อ, อีกเป็นพระอาหารหันต์หรือเป็นพระโสดาก็ตามจะปฏิบัติอะไรหลุดเป็นอย่างๆไปในเรียอว่าโสดาปฏิบัติให้รู้แล้วก็ปฏิบัติให้หลุดปฏิบัติไปเป็นอย่างๆค่ะเอานะการนั่งหลับตาที่ไม่สอนเพราะว่ามันไม่ค่อยถูกเรื่องถูกทางนัก ที่จริงจะสอนกันก็ต่อเมื่อว่าเราเองมีเวลาใกล้ชิดกันอยู่ใกล้ชิดแล้วกาให้หัดทจริงไม่ต้องหัดยากหรอนั่งหลับตาไม่ยากหรอกถ้าเวลาเรารู้แล้วเข้าใจแล้วนั่งหลับมันก็จะรับมันจะยากอะไรนั่งขีดค้านมันจะทีนามิถะลงปเด็กก็ดีลงรีล ง, ลงมไม่ยากหรอกนั่งหลับตาแต่เข้าใจจะให้มันเป็นอุปการะยังไงก็ค่อยว่ากันนะ้ในอนาคต นั่งหลับตานี่จะทำหลับตาจริงๆไปพิจารณาในในข้างในเนี่ยมันเรื่องของพรภาณาคามีไม่ใช่เรื่องเอามานั่งหลับตาเล่นกันแต่ต้นๆไม่ใช่นะที่นี้เราก็จะสอนนั่งหลับตาก็สอนเหมือนกันแต่ว่าจะสอนชั้นสูงชั้นต้นๆนี่เราจะพึ่งไปนึกถึงมันนะชั้นต้นๆจะพึ่งไปเอาเรื่องกับมันเพราะมันไ ม, ไ, มไม่ไม่ไม่ไม่ใช่ของง่ายหลับตานี่หมายความว่าเราใช้จิตละเอียดเข้าไป ทำงานข้างในยิ่งหลับไปแล้วก็ให้ตัดตาหูจมูกลิ้นกายไม่รับรู้แล้วก็จิตเข้าไปปรุงอยู่ข้างในนี่โอ้ยนี่ยังเรื่องของพระอนาคามีขั้นที่จะเป็นพระอรหันต์ขั้นที่เตรียมเป็นพระอรหันต์ยังจะกําหนดได้ให้มันปรุงได้ให้มันทําอะไรต่อะไรได้แ น, น่นอนต้องรู้จิตในจิตเลยเป็นโอปปาติกะชัดนะนี่มันเรื่องสูงเรื่องอยากแล้วเดี๋ยวนี้เข้ามาเอาสูงมาเรียนเป็นต้นเอาปลายมาเรียนต้นกันหมดเยอะ นั่งแม้แต่นั่งหลับตาทองพุโทโธพุโทโธไปแล้วก็ทำไปแล้วมันช้าแล้วมันไม่เข้ามาเข้าผลมันก็เป็นการทําความชินเหมือนกันชินตรงไหนชินตรงที่ไปติดสงบแล้วก็ได้สงบไปกิเลสต่ๆกิเลสหยาบหยาก่อให ม, ม่ละไม่ลดกันบางทีนี่บอกว่าเป็นพระอรหรันต์นะบางทีลือกันเป็นพระอรหันต์แต่ยังกินหมากสูบยายอยู่เอ้กินหมากก็ไายสูบยาก็ได้แล้วพระอรหรนันต์นี่ยังไม่มีปัญญารู้ไม่เกิดอธิจิตไม่เกิดปัญญาแม้แต่ยัง เสพติดสิ่งเสพติดศีลข้อหก็ยังไม่บริสุทธิ์ได้ถึงปานนี้แล้วจะเป็นพระอรหันต์มันก็ยังไม่เข้าทีเขาก็ตูกได้ว่าได้นะเพราะงั้นไอ้พวกนี้มันไม่บริบูรณ์มันไม่รอบทวนมันไม่งามด้วยเบื้องต้นท่ามกลางบรนปลายั่วเราปฏิบัติไปตามขั้นตามต้นเนี่ยดีนะอาตมาเองเอามาเล่าสู่ฟังนี่ก็คิดตามพยายามพิจารณาดูไม่ใช่ว่าจะเอามาบอกโดยยืนยันทีเดียวว่าอาตมาเนี่เป็นคนถูกสมหมดก็ไม่ใช่ แต่อาตมาเองได้พิสูจน์โดยตนโดยอาตมานี่ได้ปฏิบัติมาเองแล้วหลับหูหลับตาเล่นยศยลาสตรเล่นอะไรอาตมาก็เล่นมาแล้วนั่งหลับตาจนเล่นชานนอกชันในชานอะไรอะไรอาตมาก็เล่นไม่ใช่ไม่เล่นไม่ใช่อาตมาไม่เป็นนะบอกโกงๆเป็นนะไม่ใช่ว่าอาตมาไม่เคยทำนะ <c oughs> เคยเล่นเคยเป็นหลับขึ้นสวรรค์ลงนระกอะไรอาตมาก็นั่งหลับมาแล้วเล่นมาแล้ว <c oughs> เหมือนกับพระพุทธเจ้าท่นานผาอาตมาก็ไม่รู้มาเหมือนกัน ก็นึกว่าทั้งครูอาจารย์เขาพากันทําเอ๊ะมันเป็นยังไงอย่างงู้นก็ไปทําดูมั้งมันไม่ใช่เหมือนกันอาตมาก็รู้พอมารู้ทีหลังมันไม่ใช่โอ้ถึงมาเทียบเคียงกับพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแล้วอ๋อพระพุทธเจ้าท่านก็เลิกมาเรายังดันไปเล่นกันอยู่มันไม่ถูกแต่เอามาใช้เป็นเครื่องประกอบก็ได้นะไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้อันนั้นค่พูดกันทีหลังในเมื่อขันถึงขันมันถึงฐานถึงฐานมันก็ค่อยใช้ สิ่งพวกนี้อาตมาผ่านมาจริงทํามาเองจึงเอามาเล่าสู่ฟังเพราะงั้นจะเชื่ออาตมาสักทีเดียวก็จะพึ่งเอาวาพิจารณาอันไหนเห็นมาถูกฐานของตนแล้วก็ทําตามไปเป็นการตัวพิสูจน์พอพิสูจน์เห็นได้ผลว่าโอ้จริงแหหลิกมาได้ละมาได้สํารวมมาได้หยุดมาได้เบาง่ายมาได้พ้นภาระดีสบายดีเออเราก็ค่อยรับเอาอ่า อันนั้นเราจะเชื่อเองแหละตอนนี้ไม่ใช่เชื่ออาตมาทีเดียวเชื่อเพราะเราได้พิสูจน์แล้วเป็นปัจจัตตังเป็นสันทิฏฐิโกในเรื่างที่ได้สวดกันมานะคือมายคําว่าเราได้พิสูจน์โดยตนเองแล้วก็ในจิตของเราเราก็เลยเกิดผลซับซับเองว่าเอออันนี้หลุดได้แล้วนาะสบายนาะดีจริงนาะแล้วก็ได้เข้าใจมันอ่า แต่เพราะงั้นท่านพวกเรานี่จึงจะไม่เดินสอนนั่งหลับตากันทีเดียวคนไหนที่เขากลัวว่าจะมานั่งหลับตาแล้วก็ทําแตกนะบอกเขานะไม่ต้องกลัวมามาลองปฏิบัติดูที่นี่ไม่ได้พานั่งหลับตับตาแล้วก็ดิ้ก็จะกลัวทําแตกทตกําเติรกไม่ปฏิบัติเอกยนามโคปฏิบัติสติปทานไปเลยอย่างที่พาทํำไปไเรื่อยๆนี่ความหลงความไม่เข้าใจแล้วก็ไปสร้างอุปท า, านจิตเอาไว้ นึกวมันมีไอ้นอนมีไอ้นี่เจอ ER ผีเจอ ER สางเจอไอ้นอนไอ้นี่ซึ่งมันจะตั้งใจไม่มีความเข้าใจในความลึกละเอียดแล้วก็นึกว่าเป็นจริงเป็นจังนึกว่าไอ้นอนไอ้นี่ก็ตกอกต ก, ตกใจกลัวกลเลอะเทอะหรือบางทีจิตใจไปติดมันมากก็อยากได้อยากเป็นอยากมีไม่ได้สมใจก็จิตฟุ้งซ่านก็แตกได้ทำแตกได้